ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาติเรื่องเจาะลึกๆึกเทวนิยมกับอเทวนิยมตอนที่สองโดยพ่อท่านสมณะูทิรักเมื่อวันที่31มธันวาคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญทัิตารับฟังได้นะบัตร นี้นี่ก็เป็นวันที่คนพวกเราทุกคนหรือชาวโลกทั้งโลกรู้แจ้งกันดีว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งปีกาลเวลาหมุนไป คนก็ดำเนินไปตามกาละสำคัญอยู่ที่กรรมแต่ละคนแต่ละคนเป็นเจ้าของของกรรมกรรมเป็นทรั์เพราะฉะนั้นเวลาไม่มีการหยุดยังที่จะเดินไปเรื่อยๆถ้าเราจะปล่อยตนเองไปกับเวลาโดยไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักพัฒนากรรม เราก็จะเป็นเช่นปุตุชนในโลกทั้งหมดวนเวียนอยู่ในความหลงหลงว่าสุขเป็นของน่าได้ไม่ได้ก็ทุกข์ถ้ามีความสำนึกบ้างรู้สึกว่าเราเองเราจะไม่แย่งไม่ชิงหาได้โดยเรี่ยวโด ย, ดยแรงของเราเองแต่เราก็ยังเสพสุสเสวยสุขตามที่เราหลงนั้นว่าเป็นของจริงเป็นสรรนะ เราก็จะวนเวียนอยู่ได้สุขได้ทุกตามความติดตามกิเลสที่มันยังอวิชชาเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้ารู้จักโลกุตระย่อมใช้เวลากาลทุกวินาทีนี้ให้เป็นประโยชน์ในการได้ทั้งกุศลที่จะเป็นโลกิยะได้ทั้งกุศลที่จะเป็นโลกุตระ ให้แก่ตนแก่ตนจนที่สุดเป็นผู้หยุดบาปหยุดการขาดทุนของชีวิตมีแต่กําไรที่เป็นกําไรอาริยะให้แก่ตนแก่ตนจนสุดท้ายไม่ชื่อว่ากําไรแต่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่ท่ายเดียวตนไม่ต้องขาดทุนตนไม่ต้องกําไรเพราะตนหมดตัวหมดตน เป็นที่สุดแห่งโลกุตระได้คนชนิดนี้ก็คือผู้ที่อุ้มชูโลกเป็นผู้ที่อุปการะโลกเรียกว่าผู้ที่มีโลกานุกรรมปายะแต่ถ่ายเดียวจะมีความต่อจะมีการสืบต่อของท่านไปอีกนานเท่านานเท่าใดาก็มีแต่ประโยชน์ต่อผู้อื่น และตนเองก็เป็นผู้ที่มีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นมีสมรรถภาพสมรรถนะมีทักษะเจริญขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ่ายเดียวเป็นการสร้างสรรและเสียสละต่อผู้อื่น mm hmm. เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะเดินทางไปสู่จุดนี้เป็นจุดสูงสุดอันพระสมมาสัพพุทธเจ้าของเรา เป็นผู้ที่ได้พบสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วและพระองค์ก็เป็นที่สุดแห่งที่สุดไปแล้วเราผู้เป็นลูกก็ต้องดําเนินตามและทําที่สุดแห่งทุกขทําประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ทายเดียวให้ได้ดังพระองค์ทุกคนให้ได้เทอญกอให้ฟัง <c oughs> จเจริญธรรมทุกๆคน วันนี้เป็นวันสิ้นปีเก่าวันสุดท้ายของปี44และ้ะพรุ่งนี้เก่าวันที่1ต้อนรับปีใหม่ภาษา2545อัตมาเกิดภาษา 2477-2545 24ก็เป็นตัวเลข68 ได้พอดีอัตมากเกิดกลางปีเกิดมิถุนาเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลขลบโดยพศนี่ถือเรียกอายุอัตมาได้ตามพศออเลยเพราะว่ามันเกินเกิน6เดือนอายุ68นี่เกิน6เพราะว่ามิถุนานี่มันก่อนมันเดือนที่6อัตมากเกิดหมิถุนาห้ามิถุนาพอถึงห้ธันวามันก็ครบ6เดือนละ นี่มันเลยทันวาเลยห้าทันวามามันก็เลยห7บเจดปีหเดือนกว่าแล้วนะมันขึ้นห้าห้าเพราะขอขึ้นสี่ห้ามันก็เป็นเลขกปชัดๆนะอายุไขก็ผ่านไปอย่างนี้แหละนะแต่ละคนแต่ละคนทุกคนไม่มีการยกเว้นห้ามไม่ได้ ชะลอไม่ได้ไม่มีอะไรมาห้ามไม่มีอะไรมาชะลอใครจะเคารพนับถือพระเจ้าให้พระเจ้าชะลอเวลาให้พระเจ้าดึงกลับไม่มีทางทำได้พระเจ้าองค์ไหนที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่มีการที่จะมาทาให้มันย้อนหรือมาทาให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆอย่างนี้ไม่มีทางที่จะทำได้ เพราะงั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมก็จึงไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นความสำคัญของกาละเวลาที่มันเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปพระรเจ้าท่านสอนท่านทรงสอนเอาไวน้นี่ท่านเตือนทรงเตือนให้เราระลึกเสมออภินาถจะเวกขนาบแล้วแปลว่าจะต้องพยายามระลึก สำนึกสังวรเสมอระลึกถึงเสมอทบทวนอยู่เสมอทุกขณะทุกขณะนั่นแหละทบทวนในหลักห้าประการในหลัก10ประการนะประการหนึ่งท่านก็ตรัสวา่านะเวลาล่วงไปล่วงไปเวลาล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่นะกายกรรมวจิกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไหมถ้ามีอีกอะไรควรทำ คือการละเวลาในสําคัญการละเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราเราทําอะไรอยู่ขณะนี้ในกายกรรมของเราก็ดีดีกว่านี้มีอีกไหมวัจจิกรรมของเราก็ต่างขณะนี้นี่เราเป็นอยู่เนี่ยเวลาล่วงไปเรื่อยๆทุกวินาทีเนี่ยปัจจุบันนี้ขณะนี้เนี่ยเราทําอะไรถ้าเราทําอันนีน้มันไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่ดีมันดีกว่านี้ที่เราควรจะทํามันมีอีกจริงๆและเหมาะสม ควรอย่างยิ่งวควรจะขนขวายไม่ใช่ควรจะแช่อยู่อย่างนี้ยิ่งกำลังทำบาปกำลังทำอกุศลเราจะต้องสะดุ้งทีเดียวแหละรู้ตัวรู้ตัวให้ได้เสมอสานึกเสมอสังวรเสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบาปเรากำลังทำชั่วต้องสะดุง้งตัวเองต้องสะดุง้ง ต้องรู้ให้ดีเลยอย่างน้อยเราจะมีปัญญาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ใช้ตัดสินว่ากรรมหรือกิริยาที่เรากําลังกระทําอยู่ณบัดนี้ขณะนี้เนี่ยไม่ว่ากายกรรมว จ, จีกรรมมโนกรรมดีหรือชั่วถ้ามันชั่วแล้วต้องสํานึกสังวรจริงๆว่าบาปแม่น้อยอย่าทําเลยเพราะกรรมเป็นสัพท์ทําแล้วเราจะบอกว่าไม่ได้ทาไม่ไดไ้ไม่เอาไปให้ เอาไปให้ใครก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่รั่วไม่ซึมไม่หกไม่ตกไม่ลน้นไม่สูญหายเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราทั้งหมดนะชาวโศกแล้วนี่นะเป็นลูกอัตมนี่ต้องรู้เรื่องนี้อัตมาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทันใหยก็คือกรรมเป็นของของตน นี่เป็นคําตรัสคําสอนของพระรูปเจ้าจริงๆเลยกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นของแท้เชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของของตนเราต้องเป็นทาญาตของกรรมกรรมจะพาเราเป็นพาเราไปกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นตัวพาให้เราเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ายังไม่ปรินิพานก็ยังจะเกิดไปตามอำนาจกรรมแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อย่างไร อำนาจของกรรมนั่นแหละจะพาเราเป็นไปจะพาเราเกิดจะพาเราเป็นจะพาเรายิ่งมีวิบากดีก็พาเราเกิดดีเกิดเบาเกิดง่ายเกิดมีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรต่ออะไรจะเจริญทั้งนั้นมันเป็นความเจริญที่มีหลักประกันเที่ยงแท้เป็นความเจริญที่มีหลักประกันเที่ยงแท้เพราะจิตมันแข็งแรงจิตม่ไม่ตกเป็นอำนาจของ โลกโลกีนะและจิตมันก็มีปัญญามันมีความเข้าใจมันมีความรู้ความเห็นที่ชัดเจนเห็นจริงเข้าใจจริงเลยนะตัดสินชั่วตัดสินดีกุศลอกุศลได้อย่างชัดเจนไม่ลำเอียงไม่ผิดเพี้ยนอันนี้เป็นตัวปัญญาอภิปัญญาหรืออธิปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรม จะฉลาดอะไรก็แล้วแต่จะฉลาดในการหาเงินหาทองหาลาบหายศหาเหลี่ยมหาคูอะไรที่จะไปเอาชนะค้าราชารคนอื่นเขาได้อย่างไรอย่างไรก็ช่างเถอะอันนั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะรู้จักกุศลอ ก, กุศลในโลกกุศลกรรมกุศลาธรรมะอ ก, กุศลาธรรมะที่เป็นคำสวดบอกว่าเป็นยอดพระอภิธรรมเนี่ย จ่ไปงานศพก็จะได้ยินได้ฟังกุศลาธรรมะกุศลาธรร ม, มจะมีความรู้อันนี้นะเป็นสุดยอดรู้กุศลอกุศลอย่างชัดเจนนะซึ่งพวกเราก็คงจะพอเข้าใจที่อาตมาเคยนำพาเคยสอนเคยแนะนํามาเราไม่ได้เข้าใจถูกตั้งแต่ต้นเลยว่ากุศลมันคืออะไรอกุศลคืออะไร <c oughs> เรานึกว่าของเราดีแล้วละ่ะเราทําอย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะคนในโลกในข้างนอกนี่เขดีแล้วละเ ร, เ, รเราก็ไม่ได้ทําบาปทํา คำอะไรต่างต่างที่เอาเปรียบวรรธน์เขาอยู่คนเป็นคนเป็นเศรษฐีใช้ภาษาไทยภาษาที่เรียนเรียนกันรู้ดีที่จริงอัตมาไม่อยากเรียกเพราะเศรษฐีนี่มันไม่ใช่กระดุมพีกระดุมพีห ม, มายถึงคนร่ารวยนะเป็นคนร่ารวยแต่เศรษฐีนี่หมายถึงคนประเสริฐแต่เอามาใช้ในภาษาไทยแล้วมันเพี้ยนคนประเสริฐนี่ดีจริงๆเศรษฐีจริงๆหรือคนร่ารวยจริงจรนี่ไม่ดีอ่ะ คนร่ารวยจริงๆนี่ไม่ดีเพราะคนร่ํารวยเอาเปรียบคนร่ำรวยโดยเฉพาะยิ่งร่ํารวยเพราะมรดกร่ํารวยเพราะตัวเองไม่ได้ทําอะไรนอกจากใช้ใช้ก็ไม่หมดเพราะมรดกมันเยอะเอาไปทิ้งไว้ในธนาคารหรือเอาไปลงไว้ในหุ้นนั้นเอาปลงไว้ในหุ้นนี้เอาไปลงไว้เอาลงทุนไว้ที่นั่นที่นี่คนอื่นเขาทาให้หมดเอาเงินไปลงไว้เป็นทุนเสร็จแล้วตนเองก็นั่งรับ ลายได้ปันผลดอกเบีย้ยอะไรเนะี่มากินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดนะกินเพราะว่าดอกมันงอกมาน่มันมากกว่าตัวเองใช่ใชไหมตัวเองใช้มันก็ยังใช้ฟุ่มเฟือยเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่มันก็ยังไม่พร่องเพราะผลได้ทางปันผลดอกเบีย้ยมันมากกว่าโดยตนเองไม่ได้ทำอะไรที่จริงทำคือสร้างแต่บาปบาเรอตนให้กิเลสหนาขึ้น อยากได้อยากกินอยากใช้อยากสุขสนุกสนานสำราญใจอะไรก็ใช้เงินจ่ายเขานึกว่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครเขาไม่ได้นึกว่าเขาไปทําร้ายใครนะแต่เงินนะั่นแหะที่เขาไปใช้ไปเอาไว้ที่ธนาคารก็ดีเอาไปไว้ที่หุ้นก็ดีนะ่ยคนที่เอาเงินนั้นไปหมุนเนี่ยเขาจะต้องเอาไปรีดนาทาเร้นหากําไรกําไรแบบทุนนิยมหามาเพื่อที่จะเอามาคืน อย่างเงินเอาไปฝากไว้ธนาคารเนี่ยเอยไปฝากไว้ธนาคารธนาคารจะต้องทำเงินนั่นนะให้มันเป็นผลได้ 1. จะต้องให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อที่จะมาหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยให้แก่คุณเจ้าของเงินนั่นแหละ 2. จะต้องเอามาเพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐ 3. จะต้องเอามาให้แก่พนักงานอื่นๆใดๆอีกต่างหลายตั้ ง, งหลายทั้งปวง สามหรสีละสี่จะต้องเอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในวัดสดุต่างๆที่จะต้องใช้อะไรต่างๆนานาห้าจะต้องเอามาไว้ใช้ในการโปรโมชั่นในการที่จะต้อนรับในการที่จะติดสินบนหกจะต้องเอามาให้แก่กู้กูต้องได้มากๆด้วยกูต้องได้มากๆด้วย เงินของคุณนี่เราเอาไปไว้ที่ในธนาคารนี่มันจะต้องออกครีดออกเดบิดไปหาส่วนเกินมาไม่หมดเนื่นองอาตมาพูดนี่ยังไม่หมดไปอ่านหนังสือเสนาศาสตร์เชิงพุทธอาตมาไล่เอาไว้ดูม่นจะสิบสบประเด็นไล่เอาไว้มาสิประเด็นมาเงินคุณเอาไปทิ้งไว้ในธนาคารเนี่ยนะบาทหนึงหรือร้อนึ่งก็ตามหรือห0 0 0นหนึ่งแสล้านหนึ่งก็ตามคนที่ดําเนินการการเงินนี้จะต้องเอาเงินนี้ออกไปทํา ให้มันได้ประโยชน์คุ้มกลับมากับที่จะมาเฉลีย่ยจ่ายอย่างที่ว่านี่เขาต้องจ่ายใช่ไหมเพราะเงินนี้ไปนอนเฉยๆไม่ได้มันจะต้องจ่ายอย่างที่อาตมาไล่ฟังนห้าหกช้อยห้าหประเด็นนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านีน้มดุริเสสตาเชิงพูดอาตมาไล่ไว้10และอาตมายังบอกว่าถ้าจะคิดับอื่นๆอีกมันจะมีอีกกว่า10บแต่าตมาเมื่อแล้วคิดแค่นี้ก็เมื่อแล้ว เพรเงินของคุณเอาไปไว้ที่ธ น, นาคารเขาจะต้องดําเนินการใช้เงินนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้อย่างนี้ไอ้ประโยชน์ที่เขาว่านี่คือไปทําบาปทํากรรมทั้งนั้นไปรีดนาทาเลนรีดนาทาเลนออกมาจากคนที่มากู้ยืมเงินก้อนนี้ไปเขาเอาเงินนี้มาทํางานคือให้คนอื่นมากู้และคนกู้นี้ก็ต้องไปหมุนมาอันนี้ก็อันหนึง่งคนจะต้องเพื่อเพื่อที่จะให้เขาไปเพื่อได้รีดนาทาเลนกู้ให้เขาไปให้ไปรีดนาทาเลนต่อไหมอีกเนี่ยเพื่อหนี้เน่า เผื่อนี่เน่ากูไปแล้วมันม า, มมาคืนมันเอาไปจมายก็เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเ ป, เป็นใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมอะไรอีกมันอีกตั้งเยอะนะเพราะงั้พวกที่ดําเนินการทําการเงินตรกนี้เงินไปฝากธนาคารอาตมาถึงบว่ามันดอกบาปไม่ใช่ดอกเบีย้ยธรรมดาดอกบาปาเป็นดอกบาปนะและคนที่บอกแล้วว่าคนที่มีเงินไปฝากแบ่งไปฝากไป ทำธุรกิจไปลงหุ้นอะไรไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปดำเนินการแบบนี้ทั้งนั้นเนะ่รีนาทาเรียนเอาเปรียบมาจากสังคมโดยวิธีคิดของทุนนิยมเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นและได้มากเท่าไรเขาก็พอใจใช่ไหมได้มากเท่าไรเขาก็ยินดีทั้งนั้นแหละเขายิ่งชอบเพราะความเข้าใจผิดนึกว่านี่คือกุศลทั้งหมดนี่คือสุดจริต ยังอธิมาสมมติคนที่รับมรดกแล้วก็เอาเงินไปลงทุนแล้วก็นั่งกินนั่งใช้คนนี้เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําบาปอะไรเลยแต่แท้จริงเขาก็ทําบาปอยู่นั่นแหละทั้งๆที่บางทีเขาไปเอาเปรียบเอารัดคนนั้นคนนี้มามาบำเอรอตนโดวยวิธีอะไรก็แล้วแต่ได้เงินมามาบำเอรอต น, นไปเอาเงินไปฟาดหัวคนนั้นเอาเงินไปฟาดหัวคนนี้เพื่อที่จะให้เขาได้บำเอรอตนในอย่างนั้นอย่างนี้ อะไรก็แล้วแต่เขาก็นึกว่าเขาเองเขาไม่ได้ทําผิดก็ว่าสุจริตแต่ความลึกซึ้งต่อไปน่สิ่งที่เป็นสัจจะสูงสุดเนี่ยแค่ตนเองบาเมรอตอนเนี่ยมันบาปแล้วมันเป็นอกุโสลกรรมล่ะบาเมรอตอนเนี่ยอกุโสลกรรมฟังออกไหมฟังออกไหมเข้าใจไหมเป็นสุขนะ บำเพ็ญตนได้บำเรอตนสมใจที่เป็นสุขนะมันบาปยังไงเออเพิ่มกิเลสตัวเองกิเลสเพิ่มขึ้นนี่แหละตัวบาปตัวเวนตัวเวนตัวภไภไภแกตัวเองกิเลสเพิ่มขึ้นนี่แหละตัวสําคัญเลยให้ชัดๆเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ไม่รู้หลอกบำเรอตนเองให้เป็นสุขทําให้กิเลสมันหลงระเริงติดไปยึดไปเพลินไปอะไรไป แ ล, ตรตร ล, ล้ต้องการตรงนี้สุขนี่แหละสุขโลกีเนี่ยต้องการตรงนี้ตลอดกาลนานแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ากิเลสตัวเองโตจึงเรียกว่าปุถุไงปุถุชนปุถุแปล ว, ว่าอ้วนแปลว่านาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่อะไรอ้วนอะไรนาอะไรมากอะไรใหญ่กิเลสกิเลสแล้วมันก็ก่อเวรก่อภยัยหมุนเวียนอยู่นั่ น, หนแหละแล้วก็ไปใช้หนีเวรห น, นีกรรมจะทําทก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้ อยากกินอยากใช้อยากจะไปบาปอีกทีก็บาปไม่ได้ถูกบังคับบีบคั้นเพราะอำนาจธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ได้ล้างกิเลจจริงนะก็ถูกอูเขากีดนาทาเร้นเอาเอาหนี้คืนเอาหนีเวนหนี้กรรมคืนธรรมชาติหนี่เวนหนี้กรรมอะไรทรมานทุกอะไรอะไ ร, ะ ไ, รไปตลาดตลอดตรอดอะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นานจนเรียกว่าด้วยสัจจะนี่มันไม่มีการโกง สัตว์จำมันก็จะต้องชดใช้แทนกันจนหมดจนสิ้นอะไรตนอะไรต่างๆนหนานาก็เป็นไปจนหมดจนจึงจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นมากรรมวิบาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมาก็เข็ดลาบนะเข็ดลาบจากที่ต้องใช้นี้คือตอนี้ความสุขแบบถูกต้มถูกต้มไหมถูกต้มไหมสุขเนความสุขของบุตรชนอาตมาจะแยกความสุขให้ฟังความสุขมีลักษณะสาแยกเป็นสมสุขใหญ่ แต่ในสุขที่สองเนี่ยมันมีสองอย่างย่อยๆอีกเป็นสี่สุขหรือสามสุขก่อนก็ได้สุขที่หนึ่งคือเป็นสุขที่ถูกต้มจนสุขจริงๆก็คือสุขโลกีคนไม่รู้นิเสพสุขโลกีย่สุขอย่างที่อาตมากาลังอธิบายเนี่ยนึกว่าเป็นความสุขที่จริงไปรีดหน้าถ้ารินอย่างน้อยใช่หหาลาบได้ไปเอาอย่างชัดๆเลยทุจริตมาเลยสําโกงเขามาอย่างผู้ที มีอำนาจหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่นั่นแหละโกงเขารีดนาทาเรนคนเขามาให้แก็ตนแล้วตัวเองก็สุขตัวเองไปทําเลวทําร้ายถึงขนาดทุจริตยังไงแล้วติยิ่งรุนแรงถึงกันฆ่าการแกงการทําให้คนอื่นก็ทุกข์ร้อนลาบากอะไรก็แล้วแต่แล้วตัวเองก็เป็นสุขที่ได้ได้มายินดีดีใจสุขที่ได้ได้ลาบได้ยศ ที่จรยศนี่เป็นสัจจ์อย่างหนึ่งเป็นสัจจดตรงที่ว่ายศนี่คือการกําหนดตําแหน่งหน้าที่อํานาจสิทธิให้แก่ผูนั้นได้ปฏิบัติกิจปฏิบัติการนะยศสูงขึ้นก็มีอํานาจในการที่จะควบคุมดูแลสั่งการทํางานนั้นมากขึ้นยศก็คือการกําหนดเท่านั้นเอง แต่คนเราก็ว่าโอ้โหจะมีอํานาจใหญ่ก็เลยเบ่งอะไรต่างๆนั้นแล้วก็แฝงยศนี่แหละไปเป็นอํานาจที่จะให้คนอื่นเอามาให้ตัวเองด้วยอะไรก็แล้วแต่ยินยอมด้วยอํานาจบาดใจที่เขาจะต้องสังเวยตนสังเวยเราเรามีอํานาจคนก็ต้องยอมใจสังเวยก็เอามาให้และเราก็ได้เปรียบโดยที่เรียกว่าคนก็รู้อยู่ในโลกในสังคมก็ทําอย่างนั้นกันนะมา เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเองเขาเอาเปรียบแล้วเขาก็เอาอันนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นริดเป็นเดชที่จะทำให้คนอื่นเขามาบําเรอให้ตนเองเอาลากเอายดัดเอาอะไรไมาให้อีกซับซ้อนแม้แต่ม า, าให้อะไรก็แล้วแต่บํมเรอแก่เราเราก็เสพสมสุขสมอะไรไปอย่างฟุง่มเฟือยอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวนะ การได้สุขแบบโลกีแบบนี้เนี่ยเป็นสุขที่หลอกที่สุดเป็นหลบสุขที่โง่ที่สุดเป็นสุขที่คนไม่รู้จริงๆโดยปุตุชนร้อยเปอร์ซ็นตุตชนร้อยเปอร์เซนไม่มีสิ่งที่เป็นสุขจริตหรือไม่เป็นสิ่งที่ดีงามอะไรนอกจากบำเรอรตนเท่านั้นนี่เป็นความสุขชั้นต่ำที่สุดนะความสุขระดับต่อมาเป็นความสุขของกัลยาณชน ก็คือผู้ที่สำนึกดีความสุขของกาลยาณชนสำนึกดีก็คือว่าเออเราเสียสละเถอะเราลดนะอย่าไปแย่งไปชิงไปเอาเปรียบเราอย่าบาเรตอตนนักอดทนบ้างรู้จักบรญยะบรรยังบ้างรู้จักช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะรู้จักให้คนอื่นสบ้างแบ่งแจกคนอื่นสบ้าง ซึ่งก็รู้กันทั่วไปในโล ก, กว่าความเป็นความดีงามเฉลืเลืองเกื้อกูลเพื่อเพื่อผู้อื่นเป็นคนมักน้อยมาสันโดดมาลดมาละมาก็ใช้วิธีการหรือใช้ความรู้เท่าที่ตนมีจากไดเรียนได้รู้รู้จักสำนึกเองมีปัญญาเองก็ตามใจก็พยายามที่จะลดอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินเข้าหาธรรมะเดินเข้าหาคุณธรรม บางคนก็ทําสร้างสรรค์เสียสละเพื่อกูลเ อ, อื้อเพื่อฝึกตนเองมีวิธีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากๆเท่าไหรหรือพูดให้ลึกลงไปอีกว่าพยายามลดกิเลส ต, ตัวเองให้ได้ด้วยแต่ไม่มีวิธีเหมือนพระพุทธเจ้าที่เรียนรู้เข้าไปหาจิตเจตสิกแล้วก็วิเคราะห์วิจัยว่ากิเลสคือลักษณะอย่างนี้ตัณหาอุปทานเป็นอย่างนี้แล้วก็ลดละลด ล, ละอย่างนี้ลดละให้ได้ได้อย่างนี้ เมื่อลดละได้มันก็ดีทาวอนถ้าของพระพุทธเจ้าจะจับมั่นขั้นตายอาการของกิเลสถูกตัวตนถูกอัตตาถูกสักกายถูกอัตตาถูกอาสวะล้างได้จริงในของพระพุทธเจ้าแต่ของศาสนาอื่นไม่มีอย่างนี้ไม่รู้สักกายอัตตาอาสวะอย่างนี้ไม่มีวิธีทําอย่างบริบูรณ์จนเกิดทั้งวิมุตหรือหอลุดพ้นหรือดับสนิทได้ด้วยอุปโตภาคาวิมุติ คือได้ทั้งกิเลสนั้นก็ถูกตัวจริงกิเลสดับกิเลสตายจริงปัญญาก็รู้ด้วยว่ามันดับเห็นมียานเห็นปัญญานี่วิญาณทัศนวิเศษมันเห็นเห็นอาการนั้นจริงๆนะมันเป็นยานมันเป็นตาที่เป็นวิชาสามารถอย่างรู้อย่างเห็นอย่างชัดเจนมันดับแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรมันดีอย่างไรมันเบามันว่างมันสุขมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันไม่ไปทำบาปอีกเลยแล้วมันก็มีแต่คุณค่าอะไรมันรู้หมด อุปตภาคการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วนี่สำเร็จแล้วสำเร็จเลยได้แล้วได้เลยบรรลุแล้วมันไม่มีเวียนวนกลับมาฟื้นใหม่มาง่อใหม่มาชั่วใหม่มาทำเลวอีกใหม่มันไม่ทำเลยมันสมบูรณ์จริงๆของบพระพุทธเจา้าแต่ของกาลยานะชนไม่รู้ละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีาศาสดามากมายผู้รู้ทั้งหลายซอด มีต่างๆวิธีเพื่อให้ทาความดีแล้วก็ยินดีในความดีเป็นสุขดีก็บำเรอตนแม้แต่ชั่วก็บำเรอตนอยู่เป็นสุขไหมดีกว่าไหมนี่เป็นกัลยานชนดีนี่เป็นสายสร้างสรรเป็นสายที่อยู่กับหมูชนเป็นสายทำงานกับหมูชนก็เห็นคุณค่าตนเองนี่ทากับหมูชนก็เป็นสุข พระศาสนาต่างๆจะเป็นสุขอย่างนี้แม่ชีเทเรซาเป็นต้นเป็นสุขได้ช่วยมนุษย์ชาติได้สร้างสรรตัวเองอดทนเอาเสียสละเอาทำเพื่อพระวายพ ร, ระเจ้าเธอวิญาพระเจ้าเป็นเทวนิยมต่างๆอย่างนีลักษณะอย่างนี้ยังไม่รู้ละเอียดเหมือนอัตเทวานิยมหรอกอัเทวานิยมมีรู้สัจจะอย่างสุดยอดส่วนเทวานิยมก็จะรู้สัจจะอย่างนี้แหละก็ทํำต่อพระเจ้าก็ดีพระเศาสนาทุกศาสนาดี ดีมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกเพราว่าใครอดทนได้มากใครเสียสละได้มากใครสร้างสรรค์มีสมรรถนะมีทักษะได้ดีๆเก่งๆ ก, ก็สามารถสร้างได้มากๆอดทนได้มากๆเสียสละได้มากๆคนก็นิยมชมชื่นคนก็มาสนับสนุนคนพวกนี้ทํางานมีไม่มีรูปธรรมมีอะไรเห็นชัดเจนมันไม่มีภาวะซับซ้อนว่าจะต้องปล่อยวางความดี อย่ายึดดีเป็นเราดีเป็นของเรามันไม่มีภาวะซับซ้อนมีแต่ดีดีดีดีตั้งหน้าทำดีดีดีดีมันก็มีแรงพุ่งเร็วแรงสูงจึงกระทำได้มากเพราะศาสนาเป็นเทวนิยมศาสนาที่มีพระเจ้าเนี่ยจะมีรูปรอยของการสร้างดีให้แก่สังคมเห็นชัดมีรูปธรรมแล้วก็คนจะนิยมชมชื่นมากเพราะงั้นศาสนาพระเจ้านั้นน่จะมีคนนับถือมากกว่าศาสนาพุทธ ตลอดกาลานานศาสนาพุทธจะไม่มีทางที่จะคนมานับถือสูงสุดอย่าไปหลงดีใจด้วยจะเป็นหลงเอาชนะข้าวขาศาสนาพุทธต้งยิ่งใหญ่คนจะต้องนับถือมากที่สุดในโลกไ ม, ไม่เป็นไปได้เพราะโดยลักษณะจริงนั้นคนโง่เข้าใจไม่ได้คนโง่หรือคนฉลาดมากในโลก คนง่วมากกว่าคนฉลาดจริงๆในโลกโดยเฉพาะฉลาดที่ลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยจะลึกซึ้งไปสู่ความเป็นจริงเป็นสัจจารที่ลึกเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มากหรอกมันน้อยเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ถึงที่สุดยอดของภูเขามีมากหรือมีน้อยฐานภูเขาที่อยู่จิ๋เตี้ยต่าๆเนี่ยโตที่สุดยอดภูเขามันจะมีมีมากกว่าฐานภูเขาไม่ได้หรอก นี่คือสัจจะมันไม่มีผิดยอดมันก็ไม่มากหรอกแต่มันเป็นสิ่งดีสุดมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สุดเพราะงั้นใครจะเอาอย่างนี้ก็เอาใครจะไปอยู่ศาสนาอื่นก็เอาอย่าบอกแล้วไงใครจะไปบอกแต่ต้องไปทําดีกับศาสนานั้นนะคุณก็เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าอย่างน้อยมีโลกียะกุศลเป็นพละวะัตปัจจัยให้แก่ตัวเองอย่างสําคัญโลกุตระกุศลไม่ได้ก็เหมือนมันไม่มีปัญหนานะ อ่ะอย่างนี้เป็นความดีหรือเป็นสุขชนิดที่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกมีสุขอีกชนิดหนึ่งไม่มีคุณค่าต่อโลกมีแต่อัตตาโตอย่างนี้ก็มีอัตตาเหมือนกันนะสุขที่มีคุณค่าต่อโลกเนี่ยมีอัตตามีมานะถือดีชั้นดีกว่าคุณกว่ารัตตระได้พวก น, นี้แล้วก็รู้มันก็นมีปฏิพันธ์กันว่าโอ้เราไปเบ่งไปข่มคนอื่นถือดีมันไม่งามเขาก็ลดซ้อนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ลด ถ, ถูกสัจจะ สภาวะอาการทางจิต ท, ที่จับมั่นขั้นตายเหมือนศาสนาพุทธหลักมานะที่สุดเนี่ยศาสนาเทวนิยมนี่จะไม่มีไม่รู้อันนี้นรู้ก็ไม่ชัดรู้บ้างก็ไม่ชัดแต่ศาสนาพุทธนี่รู้สอนละเอียดหมดเลยทีนี้มีอีกลักษณะหนึ่งเป็นสุขนี่แยกอันที่สองของกาลยานชนเหมือนกันแต่กาลยานชนอันเมื่อกี้นี้ดีกว่า เป็นกัลยาณชนสังคมช่วยโลกเป็นประโยชน์เห็นทันตาส่วนกัลยาณชนอีกแบบหนึ่งก็คือประโยชน์ตนเท่านั้นนี่แหละมันง่ายเข้าใจประโยชน์ตนคืออะไรคือละเลิกโลกกลาบยศสันเสริญโลกกิยสุคโลกีเลกิลกเลิกไปไหนก็ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องไปวุ่นวายมันยุ่งมันวุ่นมันก็อย่างนั้นแหละคนมันก็ต้องปรุงต้องแต่งต้องสร้างต้องทำอยางนั้นนะอย่าไปยุ่งก็มนันหนีมีแนวคิดที่หนีโลก ไม่เอาอะไรแล้วก็หาวิธีสะกดจิตสะกดป้ายอย่าฟุ้งขึ้นมานะนั่งสมาธิเป็นหลักคนพวกนี้นั่งสมาธิเป็นหลักวิธีนั่งสมาธิวิธีสะกดจิตก็มีน า, นานาสารพัดหลากหลายวิธีแม่เดินจงกรมแม่เพ่งกรสินแม้อะไรแต่จดจ่อทำให้จิตมันเป็นก้อนนิ่งนั่นหยุดไม่ต้องไปคิดอื่นหยุดได้ทรายนาคืนนี้โรดเป็นรูปประจานเป็นอรูปประจาน ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครได้แข็งใครจะมากระทบกระแทกยังไงฉันก็สะกดจิตของฉันอยู่เงี้ยแต่ต้องปฏิบัติการสะกดจิตอยู่ตลอดกาลนานจะต้องมีนั่งสมาธิต้องทำสมาธิต่ตลอดจนตายตายอีกกี่เจิดมาอีกก็มาทำอย่างนี้อีกกี่ชาติกี่ชาติก็จะได้รับความชานาญในการสะกดจิตเก่งเ่งๆก็คือกดให้ลึกกดให้แน่นกดให้ไม่ขึ้นมาให้ได้เก่งที่สุดแบบนี้กดสู รูปประชานก็สุกมีสิกมาศผู้ชดีเอาสูตรสูตร น, นึงอาตมาไม่ได้หยิบมาด้วยสี่หลอกมาให้อาตมาอาตมาให้มาถามให้มาอยากให้อธิบายสูตรนั้นนะเป็นสูตรที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงการรำฌานรูปประชานอรูปประชานทั้ง8รูปประชานมี4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌา น, ตานจตุตฌา น, านแล้วก็อรูปฌานอีกส อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาจตนะและก็นเนวสญญนนัญญาณัญจายตนะทั้ง8ปดรูปชานสีอรูปชานสีรวมเป็น8ชฌานเนี่ยพระรูจา้าท่านก็ตรัสเอาไว้ในสูตรนั้นเนี่ยบอกว่าสูตรเหล่านี้เราไม่กล่าวว่าเป็นการขัดเกลารือสันเลขาธรรมไม่เป็นการขัดเกลารแต่เป็นทิ่ธรรมสุขวิหารเท่านั้น แม่ชาญหนึ่งตั้งแต่ปฐมกาชาดไปจนถึงเนวัชยานาสัญญาเหมือนกันหมดตรัสไว้อย่างนี้คือเป็นแค่ทิฏฐธรรมทิฏฐธรมสุขวิหารหรือสันติวิหารการเป็นอยู่ที่สงบสันติหรือทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเป็นธรรมที่ให้ความสุขในปัจจุบันนั้นทิฏฐธรมสุขวิหารเป็นอยู่สุขอย่างว่า ง, า ง, าง au, ๆเบาๆง่ายๆสันติไงสันติวิหารธรรม อยู่นิ่งๆเฉยๆนั่นเป็นชาตมาตั้งแต่โบราณกาลเขามีมากก่าวคนก็มาถามพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าทูลถามพระยาพุทธเจ้าก็ตรัสให้ฟังว่าอันนี้ไม่ใช่สันเลขาธรรมธรรมะของพระทเจ้ามีสัจธรรมสันเลขาธรรมนิยายนิกระทธรรมสันติธรรมนี่คือสัจธรรมธรรมะของพระุเจ้าเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีความจรงิงจริงอย่างไรก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าสัจจะคืออะไรกันบ้าง สัจะเป็นแบบสมมุติสัจจะหรือปรมาจาสัจจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีสัจจะนั้นนี้อีกเยอะเยะนะสองสันเลขาธรรมถ้าธรรมะใดๆไม่มีการขัดเกลอกิเลสขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาอากุศลทั้งหมดออกถ้า ม, มีลักษณะขัดเกลาโดยเฉพาะขัดเกลวจิตเจตสิกคือขัดเกลกิเลสอันนั้นไม่ถือว่าปรมัตาธรรมไม่ถือว่าสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีสันเลขาธรรมเพราะฉะนั้นไปทําสุขวิหารด้วยรูปประชานอรูปฌานี่ท่านตรัสว่าเราไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขาธรรมเราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะอันมีการขัดเกลาแต่เป็นสุขวิหารเป็ที่จะทําสุขวิหารหรือเป็นสันติวิหารนี่คือของกล่าวรูปประชานอรูปฌาแบบนี้มีฤาษีธรรมกร่อนพระพุทธเจ้าจไปเรียมกับอาลานดาบทกับโอโทกดาบทก็อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ธรรมพวกนี้แหละอยู่งี้นะครับ เอาสกดจิตคนนี้ไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรได้ประโยชน์ตนลงว่าประโยชน์ตนตรงที่ว่าสงบตนสงบมันก็สุขนี่เป็นสุขอีกชนิดหนึ่งอาตมาแบ่งอยู่ในกาลยาในชนบางเพราะว่าไม่ไปรบกวนใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปแย่งลาบอย่างยศอะไรใครตัวเองนีหยุดไม่เกี่ยวอะไรไม่ยุ่งอะไรเลยตายยิ่งดี นั่งสะกดจิตหลับไปเป็นนิโรธเจ็วันยิ่งดีโอ้ชมเชยกันใหญ่เลยไปกินข้าวกินน้ำละหายใจระรวยอ่ อ, อนใจหายใจอ่อนใช้แคลอรี่น้อยมันก็อยู่ได้มันกบจำศีลน่ะใช้แคลอรี่น้อยไม่เปลืองกินข้าววันนึงอยู่ได้เจ็ดวันแปดวันอย่างเ่ยอออืืเเกกบบตาตายยยตาย <laughs> ายน <laughs> เป็นสุขนี่ก็เป็นสุขอีกชนิดหนึ่งและเขาเข้าใจว่าเป็นวูปัสมโมสุขด้วยวูปัสมะแปลว่าสุขแปลว่าสงบสุขอันพิเศษที่สงบมีความสงบที่จึงวูปัสมะห อ, อุปสมานั้แปลว่ามีการเกิดเดี๋ยวอาตมาจะขยายต่อไปเป็นอุปัตติเทพอันนี้เป็นสมุติเทพทั้งสิน้นอย่าง ถูกกิเลสหลอกต้มสุกยังหลอกต้มนี่นก็เป็นสมมติที่เลวไหลที่สุดหลอกก็เป็นเทวดาเทวดาปลอมปลอมนะไอ้สุกโลกีที่เสพสมบาเรอตนสุกโลกีแล้วทุจริตก็ไม่รู้ตัวอะไรหรว่ามีบาปก็ไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้สุกยังนั้นนั่นแหละนะ สุขอย่างที่ได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาเนี่เป็นลูกเศรษฐีใหญ่มีฐานะแล้วก็เอาเงินไปฝากดอกเบีย้ยกินสูบเติมเสพไม่นึกว่าไม่ดีไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ที่จริงเบียดเบียนโดยที่เรียกว่าฉันไม่เบียดเบียนเองเหมือนกับหัวหน้าเจ้าพ่อไม่ทําเองเราใช้ลูกน้องไปฆ่าเขาครับไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าไอ้คนน้องน่นฆ่าแต่หัวหน้าเป็นคนสั่งหรือลูกน้องต้องการทําดีอ ให้หัวหน้าโดยไม่จะบอกหัวหน้าหัวหน้าไม่ได้สั่งเราทำทำเพื่อนนายนะทำเพื่อน า, นายนะนานายนะไปฆ่าไอ้คนนั้นมาเพื่อน า, นายนะมันก็ไอ้นายเดียวกันนะตัวเองก็เป็นต้นเหตุที่สําคัญเนี่ยโดยกฎหมายคนตัวการเนี่ยติดคุกมากกว่าไอ้คนลงมือฆ่าจะมาโดยกฎหมายก็ก็ยังนั้นเลยคนที่ลงมือฆ่าเองยังติดคุกน้อยกว่าโทษน้อยกว่าคนสั่งการ เพราะนั้นโรกียสุขอย่างนั้ น, เ, นเป็นเทวดาสมมุติเทพที่หลอกที่สุดทีนี้สมมุติเทพในการได้มันก็เป็นการดีอยู่บ้างเป็นกัลยาณนช น, นเป็นกัลยาณชนทําดีเสียสละสร้างสรรค์เป็นคุณค่าหรือแม้ที่อาตมาอธิบายตอนหลังว่ามาสามารถทํารูปประฌานอรูปฌานอยู่สงบไม่เกี่ยวไม่ค้องกับใครเป็นลทัทธิหนีมาอยู่ในสังคมไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ คนยอมรับมันกันลัทธินี้อย่างนี้ก็มีเชิงนี้นีเดี๋ยวนี้อยู่ในอินเดียก็เยอะอเมริกาก็นิยมมากขึ้นเพราะมันทุกข์มันต่อสู้อย่างชิงมันอะไรตัวใดอเมริกาญี่ปุ่นนี่ชอบนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเป็นาศาสดาอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันทํางานกันโอ้โหเหน็ดเหนื่อยแนละ้วมันก็ไม่รู้จักพักฟุง้งซ่านหัวคิดหยุดไม่เป็นเลยโอ้โหหนะักเข้าก็ เครียดต้องกินอยู่กินยาต้องกินแวรีมต้องจะนอนจะอะไรอืนอนไม่หลับพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อได้หัดวิธีสะกดกจิตหยุดได้โอ้โหเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมนี่แหละศาสนานี่แหละศาสนาซึ่งก็เป็นศาสนาจริงๆศาสนาลทัทธินี้อย่างนี้มีเยอะในโลกคนเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าพุทธนี่เยอะก็าใจง่ายกว่าพุทธเยอะก็เป็นสุขเป็นเทวดาอีกชนิดหนึ่งเป็นสมุติเทพ เป็นเทวดาสมุติอยู่ไม่จะเป็นอุบัติจิเทพไม่ได้เกิดจริงไม่มีความรู้ทางโอปปาติกะโยนิไม่มีความรู้ในการเกิดผุดเกิดที่จิตใจมันเกิดอย่างไรอย่างไรเรียกว่าเกิดเกิดเพราะมีตายกิเลสตายมันยังไม่ตายแค่แมันพอย่ำเน่าเน่าเนี่ยภาษาอีสานมันมันสลบมันแค่สลบสลบมันแค่ มันก็สลบแหละเย่าๆเนี่มันก็สลบนะสลบภาษาอีสานน่มันเย่าฮะภาษาภาคกลางจะเรียกว่าอะไรมันก็สลบนี่มันฮะก็สลบนี่แหละมันมันเย่านี่แะมันไม่รู้ตัวแล้วมันหมดสัมระชัญญะแล้วมันมันไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่ตายจริงมันไม่ตายจริงหรอกนะก็แค่นั้นเอง ส่วนของพุทธนั้นนะรู้ว่ามันตายจริงๆทําให้มันลดน้อยลงมันเน่ามันสลบแล้วก็ยังไม่พอต้องให้มันตายต้องรู้จักถอดหัวใจถอดยิน ญ, ญาณถอดอาการของมันจนอาการมันไม่เกิดเพราะเหตุผลเพราะปัญญาเพราะหลักฐานความจริงเพราะสัจจะอาการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปัญญาที่รู้ดีว่าเองตายได้ไม่เกิดอีกดี จิตของเราแข็งแรงหรื อ, อยังก็ด้วยทั้งสมาหิตะทั้งวิมุตตรวจสอบทั้งฐานของการตั้งมั่นแข็งแรงทั้งมีเศษทุรีละอองเหลือไหมไม่มีอวิมุตนะไม่มีทุ ร, รีทุรีจองนะจอนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอาโศกและวิรัชะอโกะโศกก็คือยังมีตัวหมองตัวหมนมั่ง จะมีวิริยจะมีกวนระดิกระเรงิง ร, ระดิกะระดินี้ทุลีละอองร ะ, ระดินี้นิดห น, น, น่อยบ้างก็ตามอาตมาแปลว่าทุลีหมองกับทุลีเริงนะอสวกาตกวิริยะเนี่ยมันเหลือเศษละอองทุลีของทุลีหมองทุลีเริงมีไหมตรวจสอบหมดไม่มีอะวิมุตตแม้ทุลีละอองและแข็งแรงสมาหิตะตั้งมัน่นอย่างนี้เป็นต้นนะเขตรวจสอบได้จริง รู้แจ้งแท้จริงว่ามันตายก็กิเลสตายนี่แหละจิตเกิดจิตสะอาดเกิดจิตบริสุทธิ์เกิดจิตแท้ๆเกิดจากเหตุปัจจัยไหนก็ตัวนั้นแหละเพราะการรู้อย่างนี้จึงเป็นสุขโลกุตระอาตมาอธิบายสุขโลกุตระซ้อนไปเลยส่วนของโลกียะนั้นเป็นสมุติเทพไม่มีการตายจริงไม่มีการเกิดจริง เพราะไม่รู้แจ้งอย่างชัดเจนละเอียดจริงเป็นสันตวิหารธรรมได้เป็นสุขวิหารธรรมได้ที่จะทาสุขวิหารธรรมได้แต่ไม่ใช่สันเลขาธรรมไม่ใช่สันเลธรรมต้องรู้จักการขัดเกลวการกำจัดขัดเกลวเพรา ะ, ะนั้นเราขัดเกลวด้วยตัวเราเองเรามีวิธีขัดเกลวตัวเราเองมียานโสดาบันต้องมียานเจ็ด ต้องมียานรู้เป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณรู้อะไรก็คือธรรมฌานของพุทธเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้จบสุขสามเนี่ยเมื่อกี้นี่พูดตอนนี้สุขโยโลกุตระนักอธิบายในทีแล้วส่วนสุขโลกิยะอธิบายในทีฟังแล้วว่าแม้สุขโลกิยา ก, ก็แบ่งเป็นสองทิศอย่างพวกที่ทํางานสร้างสรงสรค์เป็นประโยชน์ก็เป็นพระเจ้าเป็นไปอยู่กับพระเจ้าทําคุณงามความดีดีที่จริงดีดีเยี่ยมในโลกอาศัยอันนี้มากนะ ส่วนมาเป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันไม่ดีเท่าเขาเพราะมันไม่มีตัวล่ออันนี้มันยังมีอมิตรล่อทาดีงามภาคภาคูมิชื่นใจทำถวายพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่หรื อ, อยิ่งไปหวังสวรรค์สมมติกิเทศเป็นได้เก่งที่สุดอย่างที่อาตมาว่าถ้าสายฤๅษีก็ไปตัวเดียวคนเดียวอัตตาตนถ้าสายสังคมก็เป็นคุณค่าต่อประโยชน์สังคมโลก และเป็นศาสนาที่ได้รับการนิยมมากที่สุดในโลกศาสนาสุขเป็นสมุติเทพโลกียสุขแบบเนี้ยเป็นศาสนาที่ดีเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นพระเจ้าเป็นดินมีทศพิต ร, ราชธรรมมีศีลห้าก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญเก่ามีโลกียกุศลได้ขึ้นไปปีลาคยศสันเิญโลกียสุข อ, อัศริยยศสูงสุดคนยอมรับอะไรต่างๆนานามีบุญบารมีอย่างนั้นแต่ก็มีคุณธรรม จะยิ่งมีคุณธรรมดีเท่าไหร่เท่าไหรก็รยิ่งเป็นจอมจกกักรพรรดิเป็นผู้ที่เสียสละให้ผู้อื่นให้มากมากมาพยายามที่เห็นแก่ประชาชนเห็นแก่มนุษยชาติให้มากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าเพราะมีอํานาจในโลกไงแต่เดี๋ยวนี้ยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วสมบุรณาญาสิทธิราชในในโลกไม่มีแล้ว เพราะยังก็ยากแหละในยุคพระพุทธเจ้าในยุคโตโน่นก็ต้องใช้กันอยู่หรือในยุคใดยุคใดแล้วแต่ในโลกที่จะมีวัฏสงสารหมุนเวียนไปอีกในยุค ก, การข้างหน้ามันจะวนเวียนมาหาแบบนั้นอีกนะคนมันจะเป็นเผา่าแล้วก็มีหัวหน้าเผา่าแล้วก็มีสมุทรนายาสิทธิราชเขาเป็นเจ้าแคว้นอะไรอีกมาอีกหมุนอีกมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานโลกหมุนอยู่ไม่รู้นับเวลาไม่หยุดมันก็จะหมุนอย่างนี้ และคุณก็จะเรียนรู้เถอะและคุณจะระลึกชาติได้และคุณจะรู้ความจริงอัตมาพู้ในฟังนี้ก็พอคเนได้เดาได้ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นอย่างนี้แหะกี่ล้านปีมันก็จะหมุนเวียนไปอย่างนี้อ่ะเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้แบบเดิมอย่างนี้อ่ะเพราะผูดที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ผู้อื่นได้เป็นพระราชาเป็นสมมุติเทพก็ได้เสพสุขอย่างสบายเพราะบุญบา ร, รมีทางด้านสร้างกุศลไว้เยอะ คนไหนไม่มีมากเท่าก็จะได้บ้างเท่านั้นพอสมควรนะแต่ไม่ได้ขึ้นไปถึงเป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินไม่ถึงพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นไปตามฐานะคนนั้นมากคนนั้นน้อยเพราะนัประโยชน์อันนั้นเด่นคุณธรรมคุณค่าแบบนั้นเห็นชัดและเด่นและเป็นได้และคนชอบคนนิยมไม่มีนิพพานมีอัตตาเป็นปรมาตมันเป็นอัตมันปรมาตมันเป็นเทวานิยมเป็นเทวานิยมไปตลอดนะอันนี้ก็ลักษณะของ ศาสนาที่เป็นสุขอยู่สุขพอดีใจได้ทําดีทําดีสําเร็จนะทําดีได้สมบูรณ์สมใจนะอย่างหนึ่งฟ้านีเา่เขาทําดีแต่ทาดีไม่ได้สมใจมันมีวิบากแล้วมันกําลังจะหักหักตัวนี้มาหาทางพุทธนี่ให้สมบูรณ์ทนะําไมไปพุทธสมบูรณ์นี่จะไม่มีปฏิกิริยาอย่างนี้ปฏิกิริยาอย่างนี้คือตัวทุกขอริยสัตว์ออกมาให้เขา แต่ถ้าทางโลกีเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าและทำถวายพระเจ้าเขาจะไม่มีตัวเพราะจะไม่มีตัวปฏิสนิสฐักดจะไม่มีตัวต้านตัวทอนต้องลดต้องวางต้องปล่อยจะไม่มีมันจะไม่มีตัวสํำนึกตัวนี้มันไม่มีความเข้าใจมันไม่มีปัญญาที่จะมาทดลดนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านไม่มีปฏิกิริยากระตีกรกลับมันก็ไปสุดไม่มีเลยเป็นปากกลวยไปใหญ่เลยเป็นปรมาจารยนยอยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดีดและไม่มีอุปสรรค ไม่มีอคติโสรวีบากที่จะเป็นตัวตัวตานอันนี้มันก็จะไปได้สบายเพราะเจ้าศาสนาเขาจะไม่มีลักษณะอย่างนี้ไม่มีแต่นี่มหามหาพุทธเราจะเป็นอย่างนี้นะมันมันมันเป็นอจินไตยที่อธิบายยากเหมือนกันเนะี่ยใครฟังแล้วเข้าใจก็เข้าใจได้ก็เข้าใจเข้าใจยังไม่ได้ก็ชะลอไว้ก่อ น, ไ ม, อ ไ, นไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องไปมุ่นกับมันหรอกพอพอ้พองมีภูมิธรมสัก ต่อต่อไปหน่อยเราเดีจะเข้าใจได้ในอนาคต ต, ต่อไปนะถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้เข้าใจว่าสุขอย่างนี้เข้าใจสมมติเทพอย่างนี้ mm hmm. ก็มาเรียนรู้โล ก, กุตระเมื่อเรียนรู้โล ก, กุตระแล้วจับบอกแล้วว่าโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องรู้จิตเจตสิกรูปนิพานรู้จักปรมตาปรมัตถะที่จริงแปลว่าประโยชน์บร ม, มประโยชน์ปรมาอัฏฐะนี่แปลว่าประโยชน์ปรมัาถะแปลว่าบร ม, มประโยชน์ หรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยอดประโยชน์ตนอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าประโยชน์ตนอย่างเสพสุขเลยเป็นโลกียะประโยชน์เขาถือว่าประโยชน์นะแต่บาปประโยชน์อย่างนั้นนํบบาปและไม่รู้ตัวประโยชน์ทำคุณงานความดีอย่างที่อธิบายไปแล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ตนที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ถึงประมาทเพราะไม่รู้จักจิตจแต่สิ่งรูปนีานนะเป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าปรัตถประโยชน์ประโยชน์ ไม่ต้องประโยชน์ก็ได้หรือประโยชน์แถมก็ได้ที่งอัตถะมันก็แปลว่าประโยชน์อยู่แล้วเป็นปรัตถะประโยชน์อื่นหรือประโยชน์เพื่อผู้อื่นอัตตถะประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของตนที่ว่าเนี่ยถ้าเข้าใจผิดเพี้ยนตนได้ได้เปรียบเป็นประโยชน์ตนนี่ถูกหรือผิดผิดผิดแต่คนเข้าใจว่าเราได้นี่เป็นประโยชน์ตนมีมากหรือมีน้อย อย่ามาซับซ้อนอยู่ให้มาเพราะคนเข้าใจผิดนึกว่าประโยชน์ตนแล้วให้แก่ตนได้แต่เปรียบได้เสียได้บําเมรอโอ้เป็นประโยชน์ตนทีนี้ผมเป็นนักปฏิบัติทำก็ว่าตนได้เสียสละได้สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตนได้เข้าใจอย่างประโยชน์ตนอย่างนักสร้างสรรคได้สร้างสรร์ได้เสียสละได้เกื้อกูลก็ลกดื่มเป็นประโยชน์ตนเพราะเราได้ได้กุศลกุศลโล ก, กีแล้วก็ มันก็เป็นกุศลแท h, ้ไปกุศลโลกีนะส่วนคนที่บอกว่าประโยชน์ตนพอเข้าใจธรรมะจะบอกว่ามันเป็นพุธประโยชน์ตนคือต้องสงบสงบแต่ที่จริงเป็นสีอะประโยชน์ตนก็คือไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครยุ่งมุ่นวุ่นวายมันอุ่นมากหยุดไม่ต้องไปสร้างไปก่ออะไรหยุดนี่ก็คิดหลงว่าเป็นประโยชน์ตนเหมือนกันแต่ที่จริงเสพเสพสงบเสพหยุดเสพนิ่งเสพว่างเป็นรูปประพบเป็นอรูปประพบ ยิว่ว่างเบาไม่ต้องเกี่ยวอะไรเลยหายใจเบาๆระรวยกินน้อยใช้น้อยเพราะว่าไม่หายใจมากไม่ได้ออกแรงมากไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรมากดีไม่ดีก็เนี่ยเป็นฤษีนึงถึงข น, นาดเขาอยู่ได้เป็นยี่สิกว่าวันเลยขุดหลุมเลยนะแล้วเขาไปอยู่ในหลุมแล้วเขาก็กลบเหมือนจบกบจําศีลเลยอยู่ได้ถึงยี่สิบวันค่อยออกมาอาตมาเคยดูทีวีโดยเขาออกมาโชยยาว์คนะ่อยๆย่างเงิน ก็ยังสบายไม่ตายคานก้อยๆ้อยเนอะขานก้อยกเลยนอะออกมามันก็หมดเกือบจะหมดแรงแล้วขานก้อยก้อยก็คลานออกมานีออกมานะเขาก็ว่าก็จริงสิจะไปกินอะไรมากอะเนาะก็บอกว่ามักน้อยได้สันโดดได้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับใครก็เป็นสุขเป็นสงบอะไรแต่ของเขาอย่างนี้เป็นการกระทําอยู่สองทิศ2ทางง่ายเงี้ยนะนี่ประโยชน์ตนหลงว่าประโยชน์ตนได้ ความจริงก็คือสร้างภพสร้างชาติให้มนยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งเป็นแบบนั้นแหละหนักขึ้นไม่ได้เรียนรู้มันเป็นภพเป็นชาตินะสร้างภพสร้างชาติหลงภพหลงชาติอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันไม่ได้ละลายภพไม่ได้ละลายชาติอะไรนะไม่มีปฏิสมุ บ, บาต ท, ที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสเอาไว้ปฏิสมุติบาติ1เอดบอย่างนะ่ะทั้งอนุรมปฏิโลไม่มนะีไม่เข้าใจ เหตุปัจจัยเป็นอุปทานมาถึงตัณหามาถึงอะไรจะไรไม่รู้บัญชาติเป็นภพกันตล์ก็ไม่รู้นะนะเพราะงั้นในโลกียะมีอยู่สุขอย่างนั้นเป็นสมุติเทพเป็นสมุติสัจจะเท่านั้นพอเป็นปรมัตร์สัจจะหรือเป็นบรมประโยชน์บรมคุณค่าคุณค่าอันยิ่งใหญ่นี่จะต้องเป็นโลกุตระที่นี้มาถึงอุบัติเทพคือเกิดอุบัตินีแปลว่าเกิดจิตต้องมีตัวตาย ในจิตนั่นแหละจิตจึงจะเป็นตัวเกิดเกิดอยู่ในจิตของเรานี่ไม่ต้องไปตายจากร่างกายนี้เป็นอุปาโอปาปาตฏิกะโยนี้เป็นการเกิดผุดเกิดร้อยเกิดอยู่ในตัวเราเองไม่ใช่เกิดชนิดที่เรียกว่าพูดกันมานานเรียนกันมาจังงี้ใครก็รู้ หรฤษีหรือว่าคนธรรมดาใครก็คิดออกนะตายแล้ววิญญาณออกทั้งมันวางหน้าผากลอยออกไปบางคนก็ อ, กออกทางปลายเท้าอะไรก็แล้วแต่อไออย่างงั้นนะแต่ว่าร่างกายต้องตายก่อนแล้วถึงค่อยไปเป็นเทวดาในแนวคิดอย่างเทวนิยมง่ายงาย่พุทธก็รู้แต่ว่าพุทธไม่เอาเราเกิดอย่างนั้นมันช้าไป นานไว้ตายแล้วก็ค่อยไปจะไปบอกว่าเออสัมปรายกับตัประโยชน์ประโยชน์เบื้องหลังการตายแล้วเน่ยสัมปรายกับตประโยชน์มีอะไรล่ะศรัทธาศีลจากะปัญญาตายแล้วค่อยไปได้ศรัทธาตายแล้วค่อยไปได้ศีลตายแล้วค่อยไปได้จากกะแล้จะเอาอะไรไปจากกะเว้ยเบียบาทก็ทิ้งไว้ในโลกหมดแล้วคือมันอธิบายกันผิดหมดนะ่ะ การตายแบบตายจากร่างกายแตกตายแล้วก็ค่อยไปไปได้อา น, นิสงส์เพราะยังไม่ตายนี่ใช่ไหเข้าใจจากการตายคือร่างกายเท่านั้นไม่รู้จักการกายทางจิต ป, ปั ญ, ญญาณิดออกไหมไม่เข้าใจโอปะปะติกาโยนี้เข้าใจจากการตายแบบชลาพุชะโยนิอแถมการเกิดการตายมีการเกิดสีอย่างชลาพุชะโยนิอันชะพุตอันตรชะโยนิอัน สังเสรชะเโยนิโอปวาติกะโยนิโยนิแปลว่าการเกิดชลาพุชะโยนิก็คือลักษณะของสัตว์โลกนี่มีการเกิดในมดลูกเกิดออกมาเป็นตัวปลาวานเป็นต้ น, นช้างม้างวควายเป็นต้ น, นเกิดออกมาเป็นตัวอย่างนี้เรียกว่าชลาพุชะโยนิอยู่ในน้ำครําอยู่ในมดลูกจะมีน้าคร่ำเลี้ยง น้ำคร่ำขอไปผิดน้ำคร่ำน้ำคร่ำเอ็น้ำคร่ำน้ำคร่ำนะมนุษย์น้ำเน่าน้ำคร่ำเนี่ะอยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยเรียกว่าฉละมมีแปลว่าน้ำฉลาพุชยนิอยู่ในน้ำเนี่ยพราะอั้นเด็กเกิดสัตว์ที่อยู่ในมีมดลูกเหมือนกันหมดอยู่ในนั้นก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นตัวนี่เรื่องการเกิดเป็นตัวมีมดลูก มีคันธโพมีห้องให้อยู่แล้วก็เกิดออกมาจากห้องขึ้นมดลูกออกมารเรียกว่าคันธโพเรียกว่าฉลาปชโยนีิส่วนอันทะชาโยนิจนะเกิดเป็นไข่สัตว์ที่เกิดออกมาเป็นไข่แล้วค่อยมาฟักตัวออกมาเป็นตัวอีกทีหนึงน่งเป็นพวกทิชาชาติเป็นผู้เกิดสองครั้งเกิดมาเป็นไข่ทีหนึ่งแล้วก็มาเกิดเป็นตัวอีกทีหนึ่งสองครั้งอย่างนี้พวกทิชาชาติหรือเป็นพวกอันชาอันทะแปลว่าไข่อันทะชาโยนิ เกิดมาเป็นไข่ก่อนส่วนสังเสริฐชาแนนใหม่ทั้งครอบเป็นมดลูกใหม่ทั้งเกิดเป็นไข่แตกตัวเลยพลบัตรทีเรียพวกเซลพวกสัตว์เซลเรียพวกไอแบคทีเรียพวกอะไรพวกเนี้แตกตัวในน้ําน้าน้ําคำน้ําเน่าน้ําอะไรต่ออะไรอาศัยอยู่กับพวกนี้พวกสัตว์เล็กพวกนี้พวกสังเสริฐชาเกิดในขี้เหนือขี้ใครอะไรก็ได้เป็นแบคทีเรียอยู่ในพวกเราเนี่ยมี มีงือมีใครมากๆในที่อับๆชื้นๆอย่าีแล้วก็มีแบคทีเรียแล้วมาเกิดอย่างนี้พวกนี้แตกตัวอยู่ในนั้นนั่นเป็นการเกิดสมอย่างส่วนโอปปาติกะนั่นหมายถึงจิตวิญญาณการเกิดของจิตวิญญาณการตายของจิตวิญญาณมีการตายลักษณะของจิตวิญญาณเหมือนจิตวิญญาณประหนึ่งจิตวิญญาณจะเรียกแยกก็ได้เรียกไม่แยกก็ได้เรียกแยกมันว่าเป็นพวกสัตว์นรก เป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นอาการหรือพลังงานชั้นต่ำจิตวิญญาณคือพลังงานชนิดนึงแต่เป็นพลังงานที่มีระดับชีวะมันมันแม้มั น, ม น, มมน ต, ต่อเชื่อต่อ อ, อายุของมันได้เพราะเราสามารถจับมั่นขั้นตายถึงตัวเหตุตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันเป็นสัตว์นรกนั่นแหละมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำหรือเป็นสัตว์ชั้นไม่ดีแม้ที่สุดเป็นอุปปกิเลส ติดความสุขติดปัญญาติดความสงบอะไรก็แล้วแต่เป็นวิปัสสนูปะกิเลตต่างๆหรืออุปกิเลตต่างๆมันก็ยังจะต้องฆ่าจะต้องทำลายสัตว์พวกนี้อีกหรืออาการของจิตปัญญาเราต้องทำลายเพราะฆ่าอันนี้ตายผู้ใดสามารถทำให้เกิดเพราะให้จิตปัญญาตายโอปปปาติกาโยานี้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าโลกุตระ อย่างนี้จึงจะเรียกว่าโลกุตระเรียกว่าอาริยะเรียกว่าผู้มีญาณอย่างรู้จิตเจตสิกรูปติพยานจะรู้จิตเจตสิกอย่างที่เป็นเจตสิกสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปญาณเป็นนามนั่นมันก็คือจิตของเราอาการในจิตนั่นแหละรู้จักสัตว์นรกเห็นเดี๋ยวนี้ทำให้มันตายเดี๋ยวนี้ อย่างที่ตายอยู่ในร่างกายเป็นๆ น, นี่แล้วก็เห็นเลยนี่เราจะต้องทำให้มันตายเพราะเรามีศีลแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามศีลนั้นมีวิธี ป, ปฏิบัติโพธิปัจคียธรรมจนมันลดลงมันอ่อนแรงลงมันเน่ามันสลบจนมันสลบธรรมดาเอามันตายเลยเอาขาดใจขาดดิ้นเลยจนมันตายสงบตายไม่ฟื้นเห็นการตายมียานรู้ว่ามันตาย วันนี้มันตายพรุ่งนี้มันก็ต้องตายต่อแม้วันนี้ตายพอพรุ่งนี้มันกระดิกขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่ได้เอามันต่อเอาให้มันตายพอพรุ่งนี้ตายบือรืดนี้ยังไม่นิดหนึ่งนะเอามันต่อมาเรื่องนี้มันนิดนี้ก็ช่างมันเอามันต่อจนมันไม่เกิดแล้วอวันนี้ก็ไม่เกิดสองวันไม่เกิดอีก มีการกระทบเหตุปัจจัยอย่างนั้นและมันกระทบยั่ยู่วยุเราอีกมันก็ไม่เกิดอีกอยั่วยุแรงน่อยอ่ามันยังมีกระดิกอย่างนีน้นะมันยมีไหวกรรมกรรมปตินะมันยังไม่นกรรมปฏตินะนี่มันยังไหวอยู่นะนี่มันยังเกิดอยู่นะไหวเห็นน้อยน้อยก็ตามมียานละเอียดอย่างนี้นะาศาสนาพุทธนะอ่านใจในใจ ใชกิเลสตาจิตเกิดมันอยู่ด้วยกันเดียวกันนี่แหละเดียวกันนี่แหละจิตนี่แหละมันมันมันมาซ่อนกันจะเรียกว่ากิเลสว่าจิตก็ได้จะจิตชั่วอกุศลและจิตจะเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นแขกก็ได้เพราะมันฆ่าตายแล้วมันไม่ได้ทําให้สิ่งเป็นจิตวิญญาณเลวลงจิตวิญญาณมันจะดีขึ้นเพราะเราเห็นการตายการเกิดอย่างนี้แหละเรียกว่าอุบัติมีจุด ตูปปาตญาณมีจุติและอุบัตจุตตะหรือจุติแปลว่าการเคลื่อนหรือเป็นการเคลื่อนไปหาทางตายเรียกว่าจุติการเคลื่อนมาหาทางเจริญเรียกว่าจุติเป็นเทวดาการเคลื่อนไปหาทางศูนย์ทางตายเรียกว่าข่าสัตว์นรกอุบัติแปลว่าเกิดจุด ต, ตูปปาตญาณมีญาณที่เห็นความตายความเกิดต้องมีตาทิพตัวนี้ บางทีท่านก็เรียกว่าตาทิพตัวตูปปาตยานในใครเคยเรียนมาใครเคยอ่านก็บางทีท่านก็เรียกตาทิพตัวเนี้ยมีโสทิพต์มีตาทิพต์มีจักกุทิตัวตูปปาตยานนี่คือตาทิพต์มีตาทิพต้องมีวิชา9 ว, วิชาอย่างเนี้ยตาทิพต์นี่เป็นวิชาที่แนะวิชาที่เอาสวัคยายาน คนอื่นคออะไรก็มีอธิบายไว้นะต้องเห็นเห็นความตายจึงเห็นความเกิดเห็นความตายจึงเห็นความเกิดคุณเห็นคนขาดใจตายแต่คุณไม่เห็นวิญญาณเขาเกิดอันนี้เป็นเทวนิยมตัางกายแตกตายกายยศสะเพทาแล้วค่อยไปเกิดนะกายแตกแล้วก็เกิดอันนี้แนวคิดแบบเทวนิยมความรู้แบบเทวนิยมส่วนอะเทวนิยมนั้น เห็นมียานอย่างเขาไปรู้จิตในจิตของเราเลยทเราทําเองเลยทำให้มันการมีการตายด้วยสามารถเราสามารถทำให้มันตายแล้วจิตเราก็เกิดเป็นเทวดาถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์มันยังไม่สะอาดก็ยังไม่เป็นวิสุทธิเทพมันก็เกิดตายไปก็ยังมีดิกๆหรืออะน้อยนึงก็เรียกว่าเป็นเทวดานิดนึง อุปัติเทพอุบัติเกิดมาเป็นเทวดาได้น้อยหนึ่งข้ามาได้น้อยหนึ่งสมมติว่ามันมีร้อเพิ่งข่ามาได้10ก็ยังไม่เรียกเทวดาเท่าไหร่หรอกได้ชดดาของเทวดามานิดหนึ่งพอข่ามันตายไปได้อีกสีเอซโอได้เทวดาได้ส่วนของเทวดามาอีกเสี่ยวหนึ่งลนะ้ชดดาเทวดามาเสี่ยวพราตายไปอีกห้โอ้ได้มาครึงนะ่งแล้วเทวดาครึง่งนึงเปนอุบัติเทพมาเรื่อยๆได้มามากขึ้น75็ดเปอร ไปเรื่อยๆจนเป็น 90% ถือว่าเกือบจะเป็นวิสุทธิเทพแล้วไปเก้าสิเปอรเกือบจะเป็นวิสุทธิเทพได้ร้อยเปอรก็วิสุทธิเทพแต่มันจะกระดิกกระดิกอีกไหมต้องตรวจวิสุทธิต้องตรวจความสะอาดบริสุทธิ์เป็นเทวดาอย่างนั้นเป็นโถไปรอมันจะจริงเมื่อไหร่และไอ้คนที่ตายไปแล้วก็ไม่เคยมาบอกเราว่าเฮ้ยเราเห็นเทวดาแล้ว มีเหมือนกันเขาบอกว่ามาเข้าส่งมาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโมเมเอาเถอะมันไม่พิสูจน์ไม่ชัดอย่างนี้พิสูจน์ชัดกว่าอย่างนี้คือความจริงยิ่งกว่าเทวดาอย่างโ น, น้นทางโลกเขาบอกว่าเออเทวดาจริงๆต้องตายไปแล้วถึงจะเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกยังไม่ตายยังไม่เป็นสัตว์นรกยังไม่เทวดาหรอกเขาบอกว่าสวรรค์นในอกนรกในใจน่ะมันสมมุติไม่จริงหรอกความจริงอันไหนจริงกว่า เอาเอ่าเอานะ น, นี่มาศึกษาดีๆเห็นไหมมันแยงยอนแยงกันได้เถียงกันได้เพราะฉั้นคนที่เขาไม่รู้จักอย่างนี้อย่างที่เรากําลังพูดอย่างกาลังเรียนกันเนี่ยเขาไม่รู้จักประมัดเนี่ยเขาจะไม่รู้พวงเดียดอภิธรรมก็เข้าใจเทวดาเทวดาตรงนี้อย่างเงี้ยในพระไ ต, ตรปิฎกตัดไว้เป็นภาษาพยัญชนะตัดเป็นบุคลาทิฏฐานว่าอย่างเงี้ยมีเทวดาอย่างงี้อะไรๆๆอเยอะแยะเมื่อไรเป็นเทวดาแบบพุทธเมื่อใดเป็นเทวดาแบบเทวนิยม ก็มีบญญรรยายไว้อยู่ในภาษาปิฎกมีทั้งนั้นแหละแต่เขาแยกไม่ออกออคนแปลคนไม่มีความรู้จะแยกไม่ออกพรีบคน ม, ม, มีความรู้แล้วไปสังเกตในพระไตรปิฎกถึงกระนั้นก็ดีพระไตรปิฎกอยู่มีบางตอนบางจุดคนแปลเขาไม่เข้าใจเขาจะอปนปนอันนี้ที่จริงเป็นพระพุธทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวถึงเทวดาโลกุตระไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจมันฟันเฟินปนภาษ า, าออกมามันก็โดยกลายเป็นภาษาของโลกียะด้วย คนก็เลยเข้าใจเพียงเป็นแบบยวดาโลกี้ชานเหมือนกันบางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสชานโลกีก็ไม่เข้าใจว่าชานโลกีอย่างไรอันนี้ชานโลกุตระก็ไม่เข้าใจยังมหาจตาริสักสูตรนี่ชานโลกุตระเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันก็ไม่มาพูดถึงเลยพูดแต่ชานโลกีหมดเลยเดี๋ยวนี้ในาศาสนาพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างแท้จริงแยกไม่ออกวิเคราะห์ไม่ออ ก, ออกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี้เป็นโลกุตระเป็นอาริยะ มีาศาสนาเดียวในมหาจตารีสกุท่านย่ำไม่หมดเลยนี้เป็นโลกุตระนี้เป็นอริยะแล่นก็พอจบท่านก็นท้าทายเราไม่มีสัตว์เทวดามารพรมที่ไหนจะมาอย่างรู้ได้เราอันนี้นะดอกพระพุธทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้สายพระพุธทพพธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้พระโพธิสัตว์ที่เป็นสายเดียวกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้นอกนั้นสายอื่นไม่มีทางรู้ได้อันนี้อย่างนี้เป็นตน้นนี่คือเทวดาสามชนิดความสุข ที่นี่มาซ้ำสำทับความสุขแบบโลกุตระเพราะว่ามันต่างกันโลกียะโลกียะสุขอย่างสงบจิตสงบแบบมีฌานก็เป็นสุขวิหารธรรมสุขเพราะได้ทําคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติสังคมเป็นผู้ที่เสียสละสร้างสารรค์เหมือนกันไปถวายพระเจ้าเพราะพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้เป็นพระผู้ประธานเป็นพระธ ร, ะ ร, ะ ท, ระทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน แกจะบริสุทธิ์จริงเพราะมีหลักวิชามีทฤษฎีที่ลึกซึ้งไปถึงปรมัจิตไหมเท่านั้นเองแต่อัตมาว่าไม่ใช่อัตมาว่าเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองด้วยว่าศาสนาใดาไม่มีมรรคองแปดศาสนานั้นว่างเปล่าจากสมณะสีเหล่าว่างจากโซดาสกิทานาคาอรหันต์นะถ้าศาสนาใดาว่างจากมรรคองแปดมรรคองแปดขยายสมบูรณ์แล้วก็เป็นทางปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์ก็มีโพชฌงประกอบ มีโพชฌงก ก, ก็เป็นโพธิปักเยธรรมโพธิปักเยธรรมโพชฌงเจ็มีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะเป็นตัวหลักก็เท่ากับมีสติประธานสี่มีสมปทานสีมีอิทธิบาทสขยายมาเสร็จแล้วก็เป็นเกิดประโยชน์เกิดเป็นผลผลในโพชฌงก็มีปิติปัสสติก็เท่ากับมีอินทรีห้าพละห้า ต่อจากนั้นก็เป็นหลักปนปนกั น, นมีสมาธิกับมีอุเบกขาของโพธชงซึ่งของโพธิปักกิยธรรมก็มีโพธชงเจ็ดและก็มีมรรคมีโพธชงเจ็ดมีมรรคก็คือหลักสำคัญของาศาสนาพุทธถ้าใครไม่เข้าใจโพชชงเจ็ดเอาโพธชงเจ็ดมาใช้ในการปฏิบัติไม่เป็น แล้วเราก็ไม่รู้จักการปฏิบัติมรรคองแปกคือปฏิบัติโดยมีสมาธิฐิคุณฟังไปนี่คุณทําความเข้าใจเข้าใจโดยบัญญัติเข้าใจโดยปริยัติโดยภาษาเข้าใจโดยตักกะโดยเหตุผลเพราะเข้าใจชัดเจนอ๋อปฏิบัติอย่างนี้เลยเอาไปทำอย่างนี้เลยเราเองตรวจตัวเองว่าอะไรที่เป็นส ก, กายะอะไรที่เป็นตัวการใหญ่ที่เราจะต้องตั้งศีล อันนี้เราจะละเวน้นเราจะเวรมณีเราจะเว้นขาดมันเป็นบาปสมาจาร์ศาสนาพุทธบอกแล้วอธรมาธิบายแล้วว่าเป็นศาสนาที่เพ่งโทษเป็นศาสนาที่จัดการกับบาปจัดการกับซาตานจัดการกับผีนรกไม่ได้ไปมุ่งวุ่นวายกับพระเจ้าหรือเทวดาเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่มาอา้อนวอนเคารพแต่พระเจ้ายืนยันแต่พระเจ้ายินดีอยู่แต่ในกับพระเจ้าไม่ใช่ กลับไปเล่นงานกับเทวดากับผีเล่นงานกับซาตานเล่นงานกับตัวชั่วเล่นงานกับจิตที่ไม่ดีเงี้ยงานกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราจึงต้องมีสันเลขธรรมรู้ให้จริงมีสัจจะมีสันเลขธรรมแล้วลดตัวเหตุลดตัวผีตัวการใหญ่จับอาการลิงคะนิมิตอุเทศจับอาการจับเครื่องหมายของมันมันเป็นนามธรรมมันรู้ยาก จับให้มั่นขั้นให่ตายแล้วทำให้มันลดมันละมันจางมันคลายเมื่อทำให้มันลดมันละมันจางมันคลายลงไปได้เรื่อยๆจนมันดับสนิทนั่นละถือว่าเราทำกิจดีแล้วเมื่อชั่วมันออกดีมันก็เกิดเป็นธรรมดาศัจธรรมเหมือนเหรียญสองด้านดับเหตุใหความชั่วพฤติกรรมของคนนั้นโดยพุทธเนี่ยมันไม่ได้ไปหยุดมันหรือษีเราหยุดชั่วแต่เราก็ไปทาดี หยุดชั่วไปทำดีรับบาปบำเพ็ญบุญทไม่ทำชั่วแต่ไปทำดีไม่ทำชั่วไปทำ ด, ทำทำดีแล้วก็พร้อมกันนั้นก็อ่านสะอาดอ่านจิตเจตสิกรูปให้ออกจนมีลักษณะนิพพานให้ได้มียานออกมียานเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นเราจะรู้จักว่ า, าพิจารณาซ่อนลงไปขยายจากสูตรโพททีิปักเกีย ร, มมร์ทำมาปฏิบัติในการปฏิบัติมีสมาธิทิ แล้วก็ไปสังวรระวังสกรรมกับสประเด็นหนึ่งประเด็นของการนึกคิดดำริเรียกว่าสังกัปปะสองประเด็นของการพูดวาจาสาประเด็นของการกระทาทุกอย่างกรรมมันต่ำไม่ได้แปลว่ากายกรรมเท่านั้นแปลว่ากรรมรวมกรรมทุกอย่างรวมกันแล้วมันจะไม่ดีอย่างไรดีอย่างไร มีมิจฉาสามกัมมตมีมิ 3, จฉาสามวัจจีวาจามีมิจฉา 4, สี่สันตปะมีมิจฉาสามอะไรงนี้เป็นต้นส่วนอาชีวประกอบกิจต่างๆที่เป็นการงานที่มนุษย์ควรจะทำไว้ในโลกมีเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐกิจที่ไม่อยู่เปล่าไม่ดูได้ไม่เป็นฤาษีเป็นคนในสังคมเป็นคนที่สร้างสรรพยายามรุงพัฒนามีอาชีพมีการงานหลัก มีการงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่ได้หมายความว่าเปการงานได้เงินถึงจะเรียกว่าอาชีพในปัจจุบันนี้บอกว่าการอาชีพทาอาชีพอะไรหมายถึงการได้เงินเรียกว่าอาชีพใช่ไหมต้องมีช่องให้กรอกเยอาชีพอะไรอาชีพการได้เงินถึงจะเรียกว่า เ, เป็นอาชีพเราบอกว่าอาชีพการปฏิบัติธรรมบอกาอาชีพเป็นนักปฏิบัติธรรม่มันได้เงินหรือเปล่าว่านักปฏิบัติธรรม มันจะไม่ได้เงินโดยสําหรับจอาชีพได้ยังไงแยงเลยแต่เดี๋ยวนี้ค่อยังชั่วแล้วเดี๋ยวนี้ชักพราะว่าเราดันทุรังใช้อาชีพนี้โดยเจ้าหน้าที่มั่งะจะพนักงานของรัฐของอะไรก็แล้วแต่ชักยอมยอมละสู้เราไม่ได้แล้วเราก็อธิบายพีช่ชยว่าเราดันทุรังโดยที่ไม่มีปัญญ า, าว่าอาชีพคือการงานที่ทําประจําเป็นหลักเช่นคุณหญิงคุณนายนี่นะ เขถือว่าเป็นข้าปัตตณีนีเงินไปฝากแบ่งไม่ต้องทํางานทําการอะไรให้ใช้คนอื่นไปทํางานแล้วเอาดอกเบีย้ยดอกผลอะไรปันผลอะไรมาใช้ได้ไม่ได้ทําอะไรและอาชีพอะไรเล่นไพ่สมมุติว่าคุณนายคนหนึ่งเศรษฐีนีคนหนึ่งอาชีพเล่นไพ่คือทํามากเป็นประจําเลยนะเดี๋ยวเขไปบ่อนไพ่เล่นไพ่บางทีนอนกินอยู่ในบ่อนไพ่สนุกเป็นสุขเป็นชีวิตชีวา นั่นเป็นอาชีพแกอาชีพเล่นไพ่เสียเงินด้วยอาจจะได้ก็ช่างแต่เสียส่วนมากคุณนายคุณนายส่วนมากเป็นหมูหมูให้เขาตือไม่ให้เขาถอให้เขาเสือนนะเพราะฉะนั้นคนจริงเขาไม่ได้ได้ไดเงินหรอกนะอาชีพของคุณนายคนนี้คืออาชีพเล่นไพ่แล้วคุณจะไปเขียนกรอกไม่ะ อ, อาชีพเล่นไพ่กรอกไม่ได้อาชีพขหาปัตณีกรอกอาชีพขหาปัตณีอาชีพแม่บ้าน การประกอบการงานโดยประสาศจากโทษก็มันมีโทษอะไรเลยมีอิทธิพลจับปั๊บก็บอกผัวให้ม า, อ, าออกมีอิทธิพลถูกตำรวจจับตำรวจเห็นหน้าก็ไม่กล้าจับแล้วว่าเฮ้ยคุณนายไม่กล้าจับแล้วเอาราพูดไปก็เยอะแยะเนะเาะพูดจะไปก็สมมุติมาเพื่อที่จะให้เข้าใจความให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะอาชีพหมายถึงงานที่มีคุณค่าอย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอาชีพคืออนณวัชชะ การงานที่ปราศจากโทษแล้วก็ทําเป็นหลักทําเป็นประจําทําเป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเราพวกเรานี่มานี่นีจากอาชีพที่ไร้ประโยชน์แล้วก็มาทําอาชีพที่เป็นประโยชน์กันแม้ไม่ได้เงินก็เป็นอาชีพเนี่ยพลังทําไม่รับรายได้และไม่เรียบอาชีพอย่างไงแล้วสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์ให้สังคมด้วยนี่เรามาสังวรสังกปวาจากรรมมันตะอาชีวะชีวิตของเราก็อยู่เท่านี้แหละ หนึ่งคิดสองพูดสามจะกระทำอะไรก็แล้วแต่สี่มันก็เป็นการงานเป็นอาชีพเป็นหลักเป็นสิ่งที่รับผิดชอบสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์อยู่ในเนี้ยทํำไมเป็นประโยชน์มันก็เรียกว่ามิจฉาชีพละ่ะแล้วก็แ บ, บ่งเป็นห้าเนี่ยมิจฉาชีพซึ่งอัตมาอธิบายอธิบายกูหนะนาลัพปนาเนมิตกตานิเปสิกตานลาเพนาลาพังนิชิกิงสุนาตาอะไรพวกนี้ซึ่งก็เอาบาลีพวกนี้มายืนยันกับพวกเราขยายความให้ฟังจนจนจนแก่แล้วอ่ะ นี่ก็ปีขึ้นจะขึ้นปีสี่ห้าอยู่แล้วแก้ไปเรื่อยๆแล้วนวันหนึ่งก็ง ต, ต้องตายต้องตายวันวันหนึ่งก็ต้องต้องตายยังไม่ตายก็ทำบอกพวกคุณทายทอดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสัตรูพวกนี้ไว้ให้คุณแล้วเอาไปทำนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติอยู่ในหลักมรรคแปดมีภาคปฏิบัติโพชฌงเจ็ดประกอบกันมันจะร่วมกันไม่แยกกัน สติปฐานสีก็มีโพชชงเจ็สมปะทานสีก็มีโพชชงเจ็ ด, ด, อ, จดอิทธิบาทสีก็มีโพชชงเจ็มีอยู่ในสายของมรรคองแปดเพราะปฏิบัติต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเข้าใจให้ถูกก่อนแล้วปฏิบัติให้มันตรงให้มันได้ผลให้มันได้มรรคได้ผลเป็นสมาอรียมรรคให้เกิดผลเรื่อยๆสังกปะก็เป็นสมา าวาจาก็เป็นสัมมาละมิจฉาขึ้นเป็นสัมมากมรมตาก็ละมิจฉาขึ้นเป็นสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาขึ้นเป็นสัมมาสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็สั่งสมเป็นสัมมาสมาธิจิตมันก็จะได้การละลดแล้วก็แข็งแรงจางคลายจนดับสนิทจนตั้งมั่นจนเป็นวิมุตติไปเรื่อยเรืสั่งสมเป็นอธิจิตเป็นเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น ความตั้งมั่นของจิตการมีสัมมาส ม, มาธิเกิดเพราะปฏิบัติองค์เจ็ดองทั้งเจนี่ตั้งแต่ส ม, มาาถิทธิมาจนถึงส ม, มาสติมีวายามะมีความภาคเพียรมีส ม, มาสติประกอบพ่อร้อมปฏิบัติกับสั ม, มาทิฏฐิเพื่อสังวรสังกปะวาจากรรมมันตะอาชีวะ ให้เป็นสัมมาขึ้นในเรื่อยๆก็สั่งสมขึ้นเป็นอธิจิตสูงขึ้นอธิจิตสูงขึ้นอัธิจิตเจริญขึ้นอธิจิตเจริญขึ้นแล้วก็มีอธิปัญญาร่วมด้วยมีญาณสอดมีญาณตรวจสอบมีญาณเห็นเป็นวิมังสาวิมังสาวิมังสาคือการตรวจสอบคือการพิจารณาแก้ไขทั้งพิจารณาแก้ไขทั้งตรวจสอบวิมังสาแปลว่าเอาเนื้อเ <sm> นื้อที่ยิ่งยิ่งนี่เนี่แปลบาลีอย่างโพธิรักษ์พาะมังสาแปลว่าเนื้อวิแปลว่ายิ่ง อะไรต้องการให้ไม่วิแปลว่าไม่ด้วยอะไรไม่ต้องการให้ไม่มีเอาออกให้ได้อะไรต้องการให้มันแข็งแรงยิ่งก็เป็นวิยิ่งๆิ่งขึ้นไปได้เนื้อเนื้อยิ่งยิ่งเลยนี่แปลบาลีของโพธิรักแล้วเขาก็พยัญชนะบาลีไปเรียนปรียนเขาก็ไม่ได้เรียนอย่างอาตมาเราอาตมาแปลโดยอัดเขาแปลโดยพยัญชนะเรื่องของเขาเขาก็ไม่ผิดเขาก็แปลพยัญชนะเท่าที่เขามี แต่อาตมาแปลโดยอัดทีอตาตมามีพยัญชนะอตาตมาน้อยแต่ที่อยู่พยัญชนะอตาตมามากนะมากจนออกนอกที่เขาเคยกําหนดเขาก็เลยวันนี้ออกนอกรีดออกนอกเรื่องเพราะเขารู้เรื่องเท่าที่เขากําหนดกันไว้อตาตมามันเรื่องมากกว่าแต่มันละเอียดกว่ามันลึกกว่านะอตาตมาว่ามันมากกว่าเ น, นี่ยวิมังษาจะต้องตรวจสอบจะต้องรู้หาความจริงเป็นเนื้อหาสาระถูกต้องไหมตรวจสอบไม่จะทําดุยดุยไปเท่านั้น อิธิบาทก็มีแต่ยินดีมีแต่วิริยะมีแต่จิตตะปฏิบัติไปเฉยๆเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างขยันหมั่นเพียรปฏิบัติอย่างมีความเบิกบานราเดิงยินดีมีความเข้าใจเท่านั้นเองไม่พอต้องมีปิมังสานะเพราะปฏิบัติแล้วเสร็จก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอินทรีย์หพละ5ปฏิบัติแล้วเราจะมีปัญญารู้เห็นแจ้งแล้วเราก็เชื่อ เชื่อคือเกิดสัพทินรียเชื่อเพราะเราปฏิบัติมันเออดีได้ถูกต้องและถูกทางแล้วและได้ของจริงไปเรื่อยๆเพราะศีลศีลก็จะเป็นอธิศีลึ้ น, นเรื่อยอ่าอธิศีลเรื่อยอินทรีย์หพระามาข อ, อาไปไปจะวิศีลก่อนศีลไม่มีในอินทรีย์หพระห้มันจะมีวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์หคุณก็จะวิริยะคุณทําได้ดีเหมือนคุณไปเจอบอ่อเนี่ยบอ่อเพชรหรือบอ่อทอง พอขุดๆไปขุดไ ป, ดไปโอ้โหเจอแล้วเจอไรๆไรๆแล้ ว, ลวเศษเพชรโอ้โหคุณจะขยันขึ้นไหมโอ้เจอเศษเพชรแล้วโอ้เจอก้อนออน้อยแล้วก้อนน้อยแล้วอือหือทีนี้มาโหเหนื่อยขนาดไหนนี่ไม่หลับไม่นอนไม่กินแล้วตอนนี้ขุดมันต่อจะเอาเพชรให้ได้ถ้าคนมันได้ประสบสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่จริงวิริยะมันจะเสริมหนุนมาเลยมันจะเพียนมันจะเอาใจใส่ วมันจิตตมันก็จะตามมาเอาใจสายมีเท่าไรโอ้โหนี่หมดของดีของดีเพราะฉะนั้นคุณทำดีปฏิบัติธรรมแล้วต้องตรวจสอบตนเองเสมอจริงไ้ยดีไ้ยดีแล้วดีกว่านี้ยิ่งได้อีกคุณก็จะเกิดพลังพลังวิริยะหรือกำลังวิริยะอินทรีย์ของวิริยะจะเพิ่มถ้ามันไม่มีคุณก็ทำเพิ่มอย่าปติดแป้นมันยังเป็น เมทุนสังโยชน์สังโยกเมธุนสังโยก 7, ข้อที่ข้อที่ 7, ยังแต่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอยูนะ่อยากเอาตัวอย่างวัตตะพิรตะโสดาอย่างนางวิสาขาเลยนะเลยได้แต่สร้างแต่บุญได้กุศลไปก็เลยมากเลยนั่งกินกองบุญไปเรือ่อยไม่ได้เป็นโสดาบันอีกนานมากเลยนางาวิสาขาเนี่ย แล้วก็จะต้องมีวิบากานั้นต่อไปมีลูกทีละยี่สิบคนอย่างนั้นแหละคลอด20ทนะีมันไม่ได้สนุกนะนแค่คลอดนี่มันก็ไม่สนุกแล้วปเป็นนางวิสาขาจะมีลูกอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีดูมันมีบุญอะไรอย่างก็าตามแต่มันก็มีทุกข์มันก็มีโหดร้ายอยู่ในซ่อนอยู่อย่างนั้นแหละวัฏสงสารอย่างนั้นแหละมีวิบากมีอะไรๆไปอย่างงั้นแหะต่างๆนา น, นาเพราะงั้นเรามันก็ดีอ่ะแต่ก็อย่า อย่าไปชอบเลยอาตมาว่าอย่าไปชอบอย่างนางวิสาขาเลยชอบผู้ที่จะได้ธรรมะได้อริยะเร็วๆดีกว่าอย่าช้าเลยอาตมายิ่งต้องการความเร็วตอนนี้ต้องการที่จะมีอริยะเร็วๆบรรลุธรรมอยากได้อรหันเร็วๆตอนนี้ก็แม่ จะเลื่อนฐานจาัดสกิทาอัตมาว่าพวกเรานี่มีโซดานี่ก็เยอะอยู่แล้จะเป็นแบบนางวิสาขาเนี่ยเยอะและก็มีสกิทาอยู่พอสมควรถ้าเราจะขึ้นจะเพิ่มฐานเราต้องเพิ่มอธิศีนต้องเพิ่มความสังวรสารวมต้องเพิ่มฐานปฏิบัติมักน้อยสันโดดอะไรก็หลักปฏิบัติมีเยอะแยะไปเราจะต้องเขี่ยเข็นตัวเองให้อย่างนนอย่างนี้จะต้องพยายามรู้จักสก รู้จักสักกายะรู้จักตัวที่เราต้องปฏิบัติตัวการสักกายะของแต่ละคนสูงขึ้นโซดาก็มีสักกายะสกิทาก็มีสักกายะอนนาคาก็มีสักกายะของตนเป็นฐานของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันมันละเอียดกว่ากันมันผู้ดีกว่ากันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นฐานที่เป็นลำดับล ำ, ำดับขึ้นไปจับให้มัน่นแล้วก็ตั้งศีลตั้งสมาตั้งศีลหรือตั้งกรรมฐานหรือตั้งสัจะ กับสิ่งที่เราจะต้องจัดการนั้นให้ได้จึงเรียกว่าอธิศีนเราได้แล้วอันนี้มันเราต้องทําอันนี้อีกนะที่เหลือนี่ทำต่อทําต่อทําต่อต อ, อย่าไปแช่ได้แค่นี้ก็ดีสบายแล้วค่ะมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสียดจนเอามาเล่นละครกันเนี่ยนะก็อยู่อย่างงั้นเน่ยเห็ดมีเก็บปวยเจ็บมีคนรักษาช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดก็ไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันก็จะเสียเวลา เราต้องการอัศวินเราต้องการพระอริยะเราต้องการอรหรันต้องการมากๆเลยมันจะได้เป็นแกน่นแกนถ้ามันมีความจริงมากขึ้นยิ่งกว่านี้แล้วก็มีสูงฐานะสูงเป็นพระอริยะระดับอรหรันยิ่งเป็นอรหันที่มีปฏิสัมพิทายาณเป็นพระอรหันที่มีทั้งอัตถะทั้งธรรมะ มีทั้งนิรุตติมีทั้งปฏิพาณนนี้เป็นต้นปฏิสัมพิทาญาณจตุปฏิสัมพิทาญาณ ม, มีปฏิสัมพิทาญาณสมีความรู้ทั้งอัตถดีมีความรู้ทั้งธรรมะดีมีความรู้ทั้งนิรุตติเรื่อภาษาคําพูดอะไรพวกนี้นิรุตติคําอธิบายมีทั้งปฏิพานความเฉลียวฉลาดที่จะเอามาแจกแจงเอามาเผื่อแผ่เอามาแจกก็จะเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณค่าประโยชน์มากขึ้นนะ เพราะงันการเรียนให้เกิดพระหุสูตรให้เกิดการรู้รอบรู้กว้างรู้ดีมากๆนั่นเป็นทิศทางที่ควรจะกระทำนะควรจะต้องให้เป็นถ้าไม่เป็นพระหุสูตรก็ไม่เข้าทางพระเจ้านะเป็น ส, ส, สายเจโตมีแต่ศรัทธาไม่มีพระหุสูตรไม่บริบูรณ์นะศรัทธาของพระพุเจ้านะ่ะต้องบริบูรณ์ด้วยอะไรต่ออะไรอะไ ร, อ, ะไ ร, อ, ะไรอันที่หนึ่งอะไรศรัทธาต้องมีศีล เราเข้าใจเรื่องศีลทึงจะบริบูรณ์ขึ้นมาว่าเป็นศรัทธาที่สมบูรณ์หรือเป็นศรัทธาที่จริงเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพวกนี้จริงจะเป็นศรัทธาที่สมบูรณ์แท้ป็นศรัทธางมงายเชื่อมีศีลไหมไม่มีอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยถ้าศรัทธาไม่มีหลักศีลไปประกอบว่าัทารศรัทธาเพราะปฏิบัติบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่มันเป็นหลักการที่เราจะละล้างจัดการ เวรมณีจุดเป็นขาดจนขึ้นการประมัดเรามีไหมมีศีลมีศีลสองสาพระหูสูตรหนึ่งศรัทธาสศีลสามพระหุสูตรมีพระหูสูตรไหมพระหูสูตรคือความรอบรู้มีความรู้มีทั้งปริยัติมีทั้งความรู้ทางปฏิบัติจริงมีความรู้ที่เป็นปัญญาซ่อนอยู่ในการปฏิบัติเห็นการปฏิบัติเห็นวิธีปฏิบัติและได้ผลในการปฏิบัติ ได้อารมณ์ของการปฏิบัติเมื่อวิมุตต์เมื่อหลุดพ้นลงแล้วเป็นอารมณ์อย่างไรอ้อารมณ์ว่างเบาอารมณ์ไม่เป็นภาระอารมณ์ไม่กดดันอารมณ์โปร่งใสเบิกบานต้องอ่านอารมณ์ด้วยก็มีปัญญารู้แจ้งไปหมดนะเพราะฉะนั้นมีศีลมีพหูสูตรแล้วก็เป็นธรรมกระถึกนะนี่มีศรัทธานี่มีถ้ามีศีลไม่มีพหูสูตรก็ยังไม่บริบูรณ์ด้องค์นั้นไปอ่านสิ ในพระไตรปิฎกเล่ม14หรือไงเนี่ยใช่14พระไตรปิฎกเล่ม14สศรัทธาสูตรนี่อยู่ในข้ออะไรข้อตนตนนะข้อที่หหรือข้อที่6หรือข้อที่7อะไรเนี่ยศัทธาสูตรเนี่ยซึ่งมี10บหนึ่งศีลสองศรัทธาศีลพระหูสูตรธรรมกัจจึกศาสนาพุทธต้องเป็นธรรมกัจจึกยังไม่เป็นธรรมกัจจึกยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ยังไม่ได้บูรด้วยธรรมะธรรมะของพระเจ้าต้องเป็นพระธ ร, รมกถึกคือเป็นประโยชน์ตนแล้วต้องเป็นประโยชน์ท่านได้ต้องสอนพระธรรมกะถึกคือผู้เทศนาผู้พูดทำกะกะทะกะถึกเนี่ยเป็นผู้พูดมีมีคําพูดกะะแปลว่าคําพูดเป็นผู้ที่มีคําพูดธรรมะให้แก่คนอื่นได้ฟังได้รู้ได้ ยิ่งมีปฏิสัมพิทาญาณมีนิรุตติปฏิพานดียิ่งโอ้โหมีภาษามีคําพูดแจกแจงได้ดีเป็นพระธรรมกัตถะที่ดีต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็ถึงเป็นพระธรรมกัตถะเป็นพระธรรมกัตถะแล้วก็เข้าสู่บริษัทยิ่งจะต้องเข้าหาบริษัทไม่ใช่หาป่าศรัทธาหาป่านะี่ยมันเป็นคนละทิศทางกนะับศาสนาพระพุทธเจ้าสตาร์พระเจ้าจะต้องเข้าสู่บริษัทเข้าสู่หมู่กลุ่มเข้าสู่คนจนํานวนมาก เรื่อยๆ เ, เอาบริษัทเล็กก่อนเรายังไม่เก่งบริษัทกลุ่มน้อยบริษัทปแปลว่ากลุ่มหมู่เข้าไปหาบริษัทเข้าไปหากลุ่มหมู่ไปเรื่อยๆครดแล้วต้องต่อข้อต่อไปเข้าสู่บริษัทก ล, กล้าในการแสดงธรรมในบริษัทอันที่7จ็ดนะใช่ไหมสาศีนพระหูสูตรธรรมกะถึกสู่บริษัทก ล, กล้าแสดงธรรมกับบริษัทข้อที่เจะ 7สีศรัทธาศีลพระหูสูตรธรรมกะถึกเนะข้าสู่บริษัท <6. S 1> อ้อห <c oughs> เอานับยังไงเป็นเจ็ดอ้อาวพระหูสูตรสู่บริษัทกล้ากล้าสู่บริษัทนะฮะกล้ากล้าแสดงธรรมกับบริษัท ต้องมันจะไม่ค่อย ก, กล้าแม้ว่าเข้าสู่บริษัทก็มีผัสสะผัสสะเท่านั้นพอมีผัสสะกับบริษัทลึกหมู่กลุ่มมากๆขึ้นโตขึ้นใหญ่ยยขึ้นมันก็จะได้มีผัสสะได้ปฏิบัติไปทดสอบตอนเองมากขึ้นแล้วต้องกล้ากล้าแสดงทำกับบริษัทอีกกล้าแสดงทำมันกลั ว, ม, ลวมันมีมานะถือดีในตัวเดี้ยงแสดงผิดเสียท่าเสียเหลี่ยมแสดงผิดเดยอะไม่ดีอะไรแล้วแต่มันกลัวเป็นพยาคติ เันเป็นความกลัวต้องกล้ากล้าแสดงตามมันถึงจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสมบูรณ์ศา ส, สนาพุทธต้องเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสมบูรณ์เพราะตนได้แล้วตนก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นจะเผื่อแผ่ได้ก็แค่สอนธรรมกระถึกเทศบรรยายให้ผู้อื่นรู้นี่เป็นประโยชน์ผู้อื่นแม่พระพุทธเจ้าก็เพียงชี้ทาง พูดเจ้าก็ไปช่วยให้คนอื่นโดยวิธีเอ้าจงเจริญจงเป็นนิพพานจงบรรลุมันไม่ได้ไปบันดานยังไงก็ไม่ได้เราต้องบอกเขาเท่า น, นั้นเราเป็นผู้ชี้ทางเท่า น, นั้นขนาดเดีกุจ้าก็แข่ชี้ทางก็แข่เทศแข่บอกเพราะการแสดงธรรมจึงสำคัญถ้าไม่ช่นไม่มีการสืบสารมีแต่มันจะหีมันจะหมดนะเพราะนัพระธรรมกัตถกแล้วจะต้องทรงวินัยทรงวินัย เพราะยิ่งไปออกมูออกกลุ่มนี่ถ้าไม่มีวินัยตีกรอบตีระเบียบตีระบบเอาไว้นะเดี๋ยวมันแหกข้อ ไปเรื่อยเลยเพราะฉะั้นต้องทรงวินัยต้องรู้วินัยอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรอย่างนี้ต้องอย่าไปทำนะอย่างนี้ทันทางไว้แล้วนะอย่างน้อยอย่างเช่นว่าอย่าไปแสดงอิทธิปาฏิหารอย่าไปแสดงเทศนาปาฏิหารอาบัตนะอะไรอ่างี้หรือว่าอย่าพูดวายามะไอ้วาจาอย่างนี้อย่ากระทําอย่างนี้เป็นมิจฉานะอย่าไปทําอะไรต่างๆต้องมีหลักวินัยยิ่งวินัยลึกซึ้งละเอียดเยอะมีวินัยอริยะวินัยอีกเยอะแยะเพราะต้องทรงวินัยต้องเรียนรู้วินัยต้องใช้วินัย ทำกับไม่ใช่นนะั้นมันจะออกนอกรีดมันจะออกนอกทางมันจะเป็นอัตโนมัติมันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของพระเจ้าที่วางประเบียบไว้ต้องทรงวินัยเจดวใช่ไหแปอยู่มีจิตยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือยินดีในเสนาสนะป่าอันนี้อาตมาก็ขยายขวาม้ฟังแล้วอาตมาี็มีจิตยินดีในเสนาสนะป่ามีจิตยินดีในเสนาสนะอันสงัด ถ้าอัตมาไปอยู่ป่าให้อัตมาไปอยู่สงัดอัตมาจะเป็นพระธรรมกถึกก็ไม่ได้มันก็แย้งกับการเข้าสู่บริษัทแล้วไปอยู่ป่าจริงเห็นไหมมันลึกซึ้งนะซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ทรมาก็บอกว่าโอ้ต้องยินดีในป่าก็มือถือไปอยู่ป่าเลยจิตยินดีได้อัตมายินดีแต่อัตมาไม่อยู่ป่าอัตมาปฏินิสกัะเพราะอัตมาปฏินิสกัะแล้วอัตมาเป็น ถุกสุดคืนสู่สามัญแล้วอยู่กับสิ่งที่อาตมาไม่ชอบไม่ยินดีแต่อาตมาก็เฉยเฉยวางวางหัดวางเป็นอุเบกขาแล้วจนไม่มีไม่ยินดีไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มียินดีไม่มีไม่ยินดีไม่มีอุเบกขาแล้ววางเฉยแล้วอยู่กับบริษัทได้แต่ถ้าเอาลึกๆจริงๆว่าเรายินดีไหมในเสนาอัสนะอัสงกยินดี ยินดีป่าไหมอยู่ในกรุงอาตมายังสร้างป่าเลยทุกที่อาตมาพาสร้างป่าอาตมายืนยันได้ว่แต่ตะต้นจนบัดเดี๋ยวนี้อาตมาก็พาสร้างป่าทุกแห่งไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่ว่าทำโดยไม่มีสติสัพพัญญะยินดีในป่ายังไม่ดีก็ถามป่ายังไม่ไดีก็ถามป่า <c oughs> แปลแล้วว่ายินดีในเสนาสนะอสงกัดเก <c oughs> ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบากในฌานทั้งสี่ฌานของพุทธนะเพราะอยู่ในเมืองนะไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตนะฌานเพราะรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสแล้วกิเลสเป็นยังไงล้างกิเลสนิวรกรรมก็ดีพยาบาทก็ดีทินามิทธาอุตจักก็ดีล้างตาลืมลืมนี่แหละล้างโดยพ้นหลุดพ้นโดยอนิจจานุปัสสี พิราคานุปสีนีโรธานุปัสศีปฏินิสัขารูปสีหรื อ, อล้างสักกายโดยอริยสัจสี่เห็นเป็นทุกข์แล้วก็หาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ปฏินิสขะนิโรธแล้วก็ปฏินิสขะอยู่ในนั้นเสร็จเรียกว่าในความเป็นทุกขังในสูตรพระธรรปิฎกเล่ม 18: บแปข้อสองเห็นด้วยความเป็นทุกข์ จนเหลืออัตตน้อยเท่าไรในอัตตนุทิฏฐิศูนย์ข้อ256ร้ิบหกพันิบแปดเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นโดยความไม่มีตัวตนของกิเลสสนิทปฏิบัติโดยเห็นความเป็นอนัตตาอย่างตาลืมลืมเป็นฌานแบบพุทธเป็นฌานแบบพุทธเพ่งเผากิเลสไปจนโมจนเป็นอากาสานันจาเตนาในว่างกว่าอุเบกขานะ อาตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วว่าฌานอารูปฌานแบบพูดเป็นอย่างไรถ้าเป็นฤาษีก็อ า, อารูปไปก็นั่งสกจิณไกรว่างโซแสง ส, งสว่างไม่มีที่สิ้นสุดโรกพอรู้ตัวเมื่อไหร่ก็เป็นวิญญาณัญญาตนะมัน ม, ต ม, นมีตัวมันมีรู้ตัวเยอะอยู่มีตัวเราอยู่แบบนั้นก็ไม่เอาก็อกกินัญญ า, าตนะไม่เอาไม่ให้มีเราไม่ให้มีเราไม่เาบมึดเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีก็อักกินัญญาณนั่นแบบฤาษี แต่ของพระเจ้านั้นว่างอุเบกขาแล้วก็มาอาการสานี่ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาว่างโล่งโปร่งไม่มีที่สิ้นที่สุดอนันตังอาการกจิตว่างโล่งแล้วก็รู้ว่าเรามีวิญญาณวิญญาณอนจายตนะวิญญาณคือเราแล้วก็รู้ว่าเราอย่ายึดวิญญาณเป็นเราเป็นของเรานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็มาให้มีการยึดว่าเป็นอัตตาอัตตนิยา อาการอย่างนี้ก็คือโยนิโสมนสิการทำใจในใจมนสิการโดยแยบคายโดยโยนิโโโดยถึงที่เกิดโยนิโสซแปลว่าถึงที่เกิดโดยวิธีที่ถูกต้องนี่เป็นคำแปลของพระธรรมปิฎกแปลไว้ในหนังสือพจนานุกรมปาลีอัตมาก็ขอขอบคุณพระธรรมปิฎกพระธรรมปิฎกจะต้อนรับปีใหม่ในวันนี้อย่างทั่วถึง ท่านแปลไว้ถูกดีแปลว่าโดยถูกวิธีโดยวิธีที่ถูกต้องหรือลึกไปถึงที่เกิดนี่โยนิโสโดยวิธีที่ถูกต้องโดยถึงที่เกิดที่จริงก็โยนิแปลว่าเกิดโสก็ไม่รู้เ่าเป็นปัจจัยของโยนิอะไรแล้วก็แปลขยายความยังไงถึงที่เกิดโยนิโสลงไปถึงที่เกิด เพราะฉนั้นทำให้เกิดเป็นวิสุทธิเทพได้ก็ตรวจสอบให้หมดหมดเลยครับเป็นวิสุทธิเทพให้จริงมียานอย่างลูกมีความแ ย, ยบคลายมีมีความละเอียดละออท่องแท้โยนิโสแปลว่าทองแท้แปลว่าแยบคลายแปลว่าละเอียดละออแปลว่าถึงที่เกิดแปลว่าถูกต้องครบถ้วนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทําใจในใจมะนะสิทิจัยทำกระทาการะกระทาที่ใจเรานี่ยนะไม่ได้ไปค้ำที่อื่นหรอกทําใจในใจของเราทําที่ใจให้มันเป็นใด เราต้องการให้เป็นอย่างไรให้เป็นให้ได้เป็นจริงไมจริงจริงๆมียานตรวจเองเราเบี้ยวตัวเราเองยานของเราขี้โกงตัวเองเราก็ผิดเองถ้าเราไม่ขี้โกงยานของเราเป็นยานอันสุดจริตยานอันถูกต้องยานอันดีงามยานอันไม่ผิดเพี้ยนสุดฉเฉลียวฉลาดจริงมันก็เป็นจริงของเราก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงละมันก็ต้องสุฝึกก็ต้องมาทให้ตัวเองเกิดจากนั้น เพราะเมืดด่อผู้ใดทําอย่างที่กล่าวนี้ได้สําเร็จสุดมันก็ไม่มีใครมาโกหกเราไม่มีใครมาหลอกเราไม่มีใครเป็นก็เราเป็นเองสั่งสมไปเป็นบารมีไปนับชาติไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนถ้าคุณไม่ทําก็ไม่ได้เพราะงั้นโลกุตระนั้นจึงมีความจริงที่รู้แจ้งเห็นจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริง ความจริงที่มันเป็นมันเปิดมันมีมันต้องรู้เป็นนามมาทำระดับปรามัดนี่แหละระดับจิตเจเ จ, เจสิกรูปนี่มีนิพพานด้วยก็สิ่งที่ถูกรู้ก็ไปเรื่อยๆเป็นเทวดาอุปัติเทพจนกระทั่งถึงวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพก็เป็นสุดปรามัดกันแหละวิสุทธิเทพที่จริงไหมจริงทําได้ถึงขั้นตรวจสอเวทนาในร้อ เป็นอดีตแล้วก็ทําได้แล้วกเิเลสตายสนิทมันมีแต่ตายไม่เกิดอีกเลยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งมันก็ไม่เกิดปัจจุบันนี้มีเหตุปัจจัยยั่วยวนอย่างไรอยู่อีกมันก็ไม่เกิดมั่นใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะความจริงที่เราได้ตรวจสอบได้ลราก็อ่านยานเราเห็นมีมิลทุปูเตมีกรรมนิเยมีจิตมีปัญญาญาณรู้อ่านออกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงมีกรรมนิย ะ, ะ ม, รร ม, ยมีการ กรมญญ ร, กรมยารึกรรมญญนิยกรรมยานี่อยู่ในหมวดของธาตุอุเบกขาธาตุมีคุณมีคุณสมบัติ5มีมีแรปริสุทธาประโยชน์ตากรรมัยามุทุนี่ใหม้มุทุมาอยู่ที่นี่ด้วยมุทุประพัฒสรานี่เป็นองค์ธรรมของความเป็นอุเบกขาคือจิตวางเฉยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะจิตหนึ่ง บริสุทธาบริสุทธิ์ประโยธธาตาไม่ทุกข์มุทุกขัมัญญากัมมัญญาก่อนมุทุก่อนมุทุจิตมันวไวอ่อนไหวได้เร็วดัดได้เร็วปรับตัวได้เร็วทางปัญญาก็ไวเร็วทางการปรับตัวดัดได้หัวอ่อนจิตหัวอ่อนมุทุกนี่แปลว่าอ่อนมันก็ดัดได้ง่ายไม่แข็งกระด้างไม่กูจะเอากูอย่างงี้หรอวะน่ะสแตนดาร์ด เสแล้วอยู่กับหมู่หมู่ก็สแตนดาร์ดอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็สแตนดาร์ดกูก็จะเอาเขากรุงยี่หรอวะทั้ง่ที่อยู่กับหมู่ตั้งร้อยตั้งพันหมู่เข้าสิเป็นอย่างนั้นกูก็คงกูอัตราโดดอยู่างี้น่ะ ม, มุุภนะูเตมันไม่หมู่ตัวมันไม่มุทุมันทำพระทำพระภูเตมันดื้อมันกระด้างมันแข็งมันดื้อด้าน มันไม่มีมุทุปมัต้องจิตอ่อนปัดได้ปรับได้ไว่าทางเชิงปัญญาก็เร็วทางปรับให้มันละนายคลายวางจางปล่อยเลิกมันก็เร็วเรียกว่ามุทุพุทธธาตุเสร็จแล้วยิ่งมีมุทุพุทธธาตุเนี่ยเราถึงมีกรรมต่างๆได้ดีกรรมที่ไม่เป็นอกุศลกรรมที่แคล่วคล่องกรรมงานกา ร, รงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรต่างๆมันจึงเหมาะควรกับการงานเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้ด้วยแล้วก็จิตก็แข็งแรงด้วยมีมุทุ มีถีเตอเนชัปเตมีตัวโปรตอนมีตัวพลังงานสักแข็งแรงเป็นหลักตั้งมั่นเหมือนโปรตอนเองตัวโปรตอนก็ยิ่งแข็งแรงอะเร็กตอนก็ยิ่งเร็วคล่องตัวอันนี้ยิ่งแข็งแรงเท่าไรก็ยิ่งแข่งได้มากพุ่งเร็วเพราะถ้าเจโตอ่อนปัญญาก็ก็ขอไปถูแล้วเจโตอ่อนปัญญายิ่งมาก ทำให้คอนแคลนเหมือนหนึ่งฟ้าเนี่ยปัญญามากตัววิ่งอิเล็กตรอนมันมากบัรแรงเจโตอ่อนก็ล้มง่ายเนี่ยเจ็บปวดมันไม่ไปละมันก็ทำให้สรีระแย่ด้วยอะไรด้วยจิตก็เหมือนกัน น, นี่เป็นสัจจะนะเป็นสัจจะที่เราจะต้องพิสูจน์ที่อาตมาพูดไปแล้วนี่หลากหลายมากมายอธิบายเป็นอภิธรรม จนกระทั่งเลย6โมงเป็นหนสองานาทีแล้วน ะ, ะข้อที่10เออดีแล้วละทวงไว้เมื่อกี้นี้สัทธายัางไม่จบ10ไปข้อ9ได้โดยไม่ยากได้โดยได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ซึ่งอาตมาก็อธิบายฌานรูปฌานอารูปฌานแบบพุทธแบบฤษี ป, น, ปนไปนะพอแยกฟังเอาอาตมาพูดมันไม่ค่อยเป็นนักวิชาการเท่าไหร่มันเรียบเรียงมั น, นปนเปอาตมาเนี่ยมันนักบนเป เกิดมาชาตินี้ปนเปมากนะมันมันไม่เรียบเรียไม่เป็นนักวิชาการไม่งั้นอาตมาก็คงได้ด็อกเตอร์หรอกมันรู้จักหลักการมาเรียบเรียงอะไรต่อไรนี่มันไม่ได้เลยแม้ได้สักดอกเดียวก็ไม่เป็นไรอันสุดท้ายก็เจตําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุตอันไม่กลับกำเริบ ก็คือวิมุตต์นั่นแหละสรุปก็เป็นอันสุดท้ายศรัทธาต้องมีวิมุตต์ศรัทธาต้องมีการเข้าสู่บริษัทศรัทธาต้องเป็นพระธรรมกรทึกมันถึงจะบริบูรณ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่งั้นเราก็แค่ศรัทธาก็มีแค่ศีลพระพูทสูตรก็ไม่เอาแล้วไม่ค่อยรู้อะไรมากคนจะรู้รู้ไปมที่เราก็พอแล้วอะเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วอะไม่ได้ศาสนาพุทธต้องเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันสมบูรณ์ มันต้องรู้รู้แล้วก็เราจะรู้ลึกเข้าไปด้วยพระหุสูตไม่ใช่รู้แต่ของคนอื่นรู้ลึกเข้าไปด้วยจะรู้ของคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็มีพระหุสูตแล้วจึงเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกยิ่งต้องเข้าสู่บริษัทพอเข้าสู่บริษัทแล้วจะต้องแกว่งกล้าในแสดงธรรมกับบริษัทอีกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันจะมีหลักหลักการของพระเจ้านี่สุดยอดจ ร, จริงๆถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายยากของมันนะ อาตมาว่านป ร, ริยนเขาก็เรียนนี่ท่องได้เขาจะอธิบายอย่างอาตมาได้ไหมมันก็ยากหน่อยเขาได้บ้างบางคนอย่าไปดูถูกเขานะคุณเก่งคนเดียวไงในโลกเนี้พูดแล้วมันก็เป็นเชิงอัตามานะใหญ่เบงคนอื่นเขาก็เป็นได้นะแต่เอาเถอะมันก็มีคนที่เก่งกว่าหรือดีกว่าก็ถูกหลักนะอย่างอาตมาอาจจะเก่งกว่าใครต่อใครอยู่ แต่คนเขาไม่ยอมรับมันก็ไม่เก่งหรอกเก่งไม่ได้เขาบอกว่าเขาเก่งกว่าแล้วเขาก็มีอำนาจที่เขาจะเก่งกว่าคนที่เขายอมรับกันอยู่คนที่เขาเก่งขนาดนี้นี่นะเขาเก่งสู่อัตมาไม่ได้หรอกแต่ประชากรเข้าใจเขาได้ยอมรับเขาได้เขาเป็นจริงกว่าเขาใหญ่กว่าอัตมาอัตมาเก่งกว่าเขาก็จริงแต่คนเข้าใจอัตมาไม่ได้ อาตมาจะใหญ่ได้ยังไงใหญ่สัจจะสัจจะก็ไม่ได้ออกอะไรกลบฝังเผาใหญ่คนอื่นรับรู้ไม่ได้ไม่ใหญ่หรอกเพราะฉะนั้นจะมีสัจจะมันต้องใหญ่จริงก็เขารับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขารู้ได้หรอกนะไม่อยากรนลานอะไรหรอกแต่ก็พยายามอยู่ให้เขารู้พยายามให้เขารู้ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ถึงขนาดไปยัดเยียดไปรนรานบังคับหรือทำอะไรแรงไม่ทาไปตามธรรมผู้รับได้ก็จะเข้าใจได้แล้วก็ไปพิสูจน์คุณจะเป็นฐานความจริงให้อตมาเป็นฐานความจริงเมื่อคุณมีจริงคุณได้ของคุณแล้วคุณจึงเชื่ออตมายิ่งขึ้นคุณได้อันนี้จริงยิ่งขึ้นโอ้ตรงแมถูกต้องตามหลักขัามคพระเจ้ามาตรวจสอบด้วยจริงจริ แล้วอาตมาพูดก็ไม่ผิดตรงมันก็จะชัดเจนไปเพราะตรวจสอบพระเตปรดมีอาตมาให้ท้าทายให้เอาพระเตปรดไปตรวจสอบตรวจสอบนะะคุณก็ตรวจสอบของตนเองที่ปฏิบัติได้ด้วยหลักการที่อาตมาพูดด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไปในพระเตปรดด้วยสมอย่างหนึ่อาตมาพูดสองพระเตปรดว่าไว้สมคุณเองเป็นจริงตรวจสอบไปเลยอาตมาไม่ค่อยได้เอาพระตรัฐามาพูดเท่าไหร่ ไม่ได้เอาอัตกถามาใช้เท่าไรเพราะอัตมาเองอัตมาไม่อยากเอามาพูดมากเลยจะต้องไปเวเสเวลาวิจารณ์พระอัตกระถาจาร์อีกเพราะอัตกรถาจารย์ก็ยังมีที่ผิดพลาดบกพร่องอยู่เยอะไม่ต้องพูดใครพระพุทธโคสาจารย์องค์เดียวนี่ก็เถอะอัตมาก็ไม่อยากจะเอามาอวิจารณ์เขามากเสียเวลาแล้วก็คนไม่ชอบด้วยเพราะไตรชงไม่ต้องใช้อัตกถาเพราะเชื่อไหมว่าอัตนาอัตมาเป็นอัตกรถาจารย์ เชื่อไหมอาตมาอาศัยตนเองเป็นอัตตกตาจารย์นี่อาตมาพูดกับคุณนะข้างนอกเขาบอกอันนี้เบ่งใหญ่แล้เบ่งใหเบ่งเป็นอัตตกตาจาร์ว่าสตาสูดชัดเจนมากนะวันนี้สตาสูดชัดเจนมากเลยอ้าวดีละถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้โดยเฉพาะโดยยินดีในเสนาสนะปา่าในเสนาสนัอันสงัดยืน เ, เรือนว่างอะไรงี้นะมันเข้าใจไม่ได้หรอกเข้าใจยาก มันยินดีจิตใจยินดีอาตมาก็ยินดีในสิ่งที่ดีอย่างนั้นแะแต่ว่าถ้าเราไปติดตอนนั้นล้วเราไปจมอยู่กับนั้นเราก็คือติดพบเราก็คือเสพคือบำเรอแต่เราก็ยินดีแต่เราไม่ติดไม่เสพเราปล่อยได้เราละวางได้เราทิ้งได้เนี่เราทิ้งเสนาสนะป่าทิ้งเดือนว่างเราไม่ทุกข์อาตมาพ้นทุกข์นะที่ทิ้งสิ่งที่ยินดีเนี่ยคุณจงทิ้งสิ่ทิงสิ่งทิ้งสิ่งที่ยินดีเสียเถิด เข้าใจไหมถ้าคุณยังจมอยู่ในสิ่งที่ยินดีคุณก็ติดพบคุณก็ติดอยู่ตรงนั้นนะเข้าใจไหมเพราะงั้นมันเหมือนภาษาย้อนแยงเนี่ยมันกลับไปกลับมาแต่ความจริงมันชัดงงไหมงงไหมโอ้โหท ำ, ท ำ, ทำ <laughs> ไม่งงแต่มันทำยากเอาละอาตมาก็เห็นใจน เออเนี่ยคนนี้ก็บอกสิ่งที่ไม่ยินดียังทิ้งไม่ได้เลยแล้วมันจะไปถึงสิ่งที่ยินดีได้ง่ายที่ไหนเนาะขนาดความโกรนี้เราไม่ยินดีไม่ยินดีนะหลายอย่างเรารู้มันไม่ดีมันไม่ดีแต่ก็ยังยำมกิเลสมันยังอยู่กับเรามันยังเอาอยู่มันร่ำร้องเมื่อใดมันอดไม่ได้ไม่ได้อดไม่ได้นะทนไม่ได้นะเอาหน่อยเถอะอ่าล่ะ เพราะงันผู้ที่หลุดพ้นได้ผู้ที่ทําลายได้สําเร็จทําลายสิ่งที่ไม่ดีได้สําเร็จจึงต้องเคารพ บ, บูชามันไม่ง่ายแต่มันดีจริงๆมันน่าเชื่อชูบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องกราบเคารพผู้ที่ทําได้ผู้ที่บรรลุได้จริงจึงต้องกราบเคารพไปหาเงินได้เก่งๆโลดโมโทสันมาแกรเอาเปรียบเอารัดมาได้มากๆ ๆ, ๆเองเก่งเองเก่ง แต่ก็เท่านั้นแหละจนกว่าพวกเราจะเข้าใจว่าเออเรามาจนนี่ดีจริงๆแล้วก็จนได้สําเร็จแล้วก็เป็นผู้ที่จนอย่างอุดมสมบูรณ์จนยังไงวะจนอุดมสมบูรณ์คนที่จนอย่างอุดมสมบูรณ์นีมภาษาย้อนแยงภาษาปฏินิสสัคภาษาสลัดคืน ปุตตมสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าเราจนแตเราสร้างสรรใช่ไหมซับอยู่ที่เราคือสมรรถนะกับความขยันเราไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังมีกําลังวางชาตื่นมาเช้าโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องทํางานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพรเดี๋ยวเราเสียท่าเราเริ่มทําก่อนที่พระทิตจะขึ้นหน่อยๆพักผ่อนให้พอแล้วก็เอาทํางานต่อสร้างสารรค์ไปสร้างสรรแล้วก็เสียสละสร้างเมื่อไรมันก็เกิดผลผลิตเมื่อนนั้นแล้วเราก็เป็นนัก เศรษฐศาสตร์ที่ดีเราสร้างสิ่งที่เป็นสาระเราไม่ไปสร้างไม่เอาแรงงานไม่เอาเวลาไม่เอาทุนร้อนไปทําในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระหรอกเรามาทําเป็นสาระทําเสร็จแล้วก็แจกจา่าเจือจานคนหนึ่งคนสองคนหคนร้อยคนพันคนอตาตมามีคนชนิดนี้ทําแล้วก็ให้ทําแล้วก็ให้ไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกเดี๋ยวหมดวันนี้พรุ่งนี้ทํำไมใช่ไหมมันจะไปหมดอะไรล่ะ แต่ระวังอย่าให้มันเฟอ้อต้องมีหลักวิชาเสียจศาสตร์บ้างให้จนรันชอ็อตให้จนไม่มีจะให้ให้จนหมุนไม่ออกวิ่งไม่ออกตายไม่ได้ก็ต้องประมาณพอสมควรแต่เราก็อยู่ในหลักของมักน้อยไม่ต้องสะสมไม่มากไม่ต้องสะสมไม่มากสะสมไม่ดูพอสมควรว่าเออพอหมุนพอดูที่นี่เรามีองค์ประกอบเท่าไหร่มี กลุ่มรวมมีอยู่ตัวไหนเอออันนี้ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวไ้หมดถ้าเราจริงนะเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจเป็นคนที่มีใจขันเรื่องมีใจข้นขวายมีเวิยวัจมัยเป็นคนมี ว, วียวจมัยมีคนความค้นขวายอยู่ตลอดวันตลอดทุกเวลา มีนิสายเลยมินิสัยเป็นคนค้นขวายไม่ใช่เป็นคนอยู่ว่างๆเปล่าๆได้ๆศูนย์มีคน เ, เวลาไปอยู่เออหาอันนี้ทําให้ทําแล้วเราก็ทําสิ่งที่มีจะทําโถงงานการมันมีเยอะแยะกันมีจะเรียกร้องว่าต้องการพลังมันพลังไม่พออะไรอะไ ร, อะไรของงานมันจะไม่พออยังงไหมเพราะงั้นมันไม่มีทางจนหรอกไม่จนหรอกนะแล้วเราก็จะพิสูจน์ ทฤษฎีของพระเจา้านี่เอาอมันก็6กโงเนาทีแล้วอะละมันจะเลยเวลามากไปพรุ่งนี้ก็ยังได้ต่อที่จริงวันที่2องาตมาก็ยังเทศอยู่ต่อธรรมบัชชตจาอาตมาเมางานนี้อาตมากําลังวังชา่ายังดียังเทศได้เพราะงั้นท่านทั้งหลายอย่ า, ยารีดเสยอาตมาอยากเทศก็อดระ้ใจไว้ก่อนท่านทั้งหลายต้องอดใจไว้ก่อนให้อาตมาเทศเทศเทศเเทศเทศอาตมากแก่แล้วมันไม่มีเวลามันไม่มีแรงมันไม่ได้เทศอย่างนี้หรอกตอนนี้ได้ขนาดนี้ก็ดีอยู่ อาตมาว่าตมายัมีกําลังวังชา ย, ยังทําได้นะเพราะงั้นมารวมๆกันเนี่ยเทศทีเดียวมาเป็นพันๆหลายพันอย่างนี้ดีแล้วเทศทีเดียวก็รับไปเพราะงานไหนงานไหนที่จะเป็นงานส่วนกลางงานจะขาดมาช่วยกันมารับทำแล้วก็มาช่วยสร้างสรรค์ทั้งกรรมกิริยาทั้งการได้ปริยัติปฏิบัติไปด้วยกันนะก็ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็วันนี้วันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมวันนี้ก็ได้ประสมควรพวกนี้มาต่ออีกนะมันต่อได้อีกเรื่อยๆแหละ มันยังมีอะไร อ, อะไรที่วิจิตที่พิษลึกซึ้งมีอะไรที่เป็นฟังอะไรได้ใหม่ไหมล่ะ ว, วันนี้ได้ใหม่แม้ไม่ใหม่ก็มีอดนตสองที่ 1, ห น, นึ่งครับสองครับการหนงได้ฟังสิ่งที่มีแปลกใหม่ขึ้นมาเสริม2เข้าใจสิ่งที่ยังไม่ค่อยได้เข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้น3ทิฏฐิเปลี่ยนไปจากที่มันเป็นมิจฉาอยู่มันก็เปลี่ยนทิฏฐิมาดีขึ้นสไอ้ข้อสงสัยกังขามันก็โลง่งมันก็ปลดไปได้เรื่อยๆ5้า โอ้เบิกบานแจ่มใสล่าเลงศรัทธาเลืเ่อมใส ย, ยินดีนะ่ข้อที่5าอันนี้สงการฟังธรรม5ประการเกิดไม่มากก็ น, น้อยโดยถ้าคุณมาฟังธรรมเกิดอันนี้สงหประการนี่แสดงว่าคนเทศเทศเกง่งเทศเ ก, งก่งตัวเมื่อวานนี่เหรออตาตมาก็พยายามที่จะเป็นคนเทศเก่งขึ้นทุกๆวันนะ เอาละขอให้พวกคุณเป็นผู้ที่รับธรรมะาแล้วไปปฏิบัติธรรมะาได้ดีขึ้นทุกๆวันเทิ น, ทน